อัลลอฮุมะซลลิอาลฮมุล a m m a d a ครับผมก็ขอกลับเข้ามาสู่การแนะนาการอ่านคุรานเบื้องต้นนะครับวันนี้ก็มาสู่สุร้ออันฟารักษ์บกนอาจารย์ผู้ช่วยสอนช่วยเปิดโดยครับอันฟรักษ์หน้าซมมือของหน้าที่มีรูปกาบะ หน้าซ้ายมือของหน้าที่มีรูปกาบะนะครับใครยังไม่เจอบ้างอ่าใช่หน้าซ้ายมือนะครับกุลอาโอซูวิลบินฟลักนะครับเจอนะใครยังไม่เจอยกมือจะได้ไ ป, ไปพร้อมๆกันโอเคนะเ <laughs> ชื่อว่าเชื่อว่านักเรียนที่นี่น่าจะพออ่านอ่านกุณอ่านกันได้เกือบทุกคนละแต่ถ้าใครยังอ่านไม่ได้ก็แวะเข้าไปเรียนที่ ของการอบรมผู้สนใจอิสลามได้นะครับผมมีสอนตุวันอาทิตย์อินชาลลอโอเคนะอ่ะโอเคก่อนจะอ่า น, นก็ขอความคุ้มคขอก่อนอ้าวุบิลลาฮิมีนะชัยต่อนิรรยีมบิสมิลลาฮิรราะหมานิรรหีม คุณาอุลบิรับบินฟลาเกาะฟลากาะ อ, อ่ามีการสะท้อนนะครับก่อนอนละมิชรัรลีมาคอลาเกาะสะท้อนเหมือนกันนะครับว่ามิชรัรลีกอสิกินเอจาวกบ Min s h น r รลิ غاز ิควินอิดาวกบับสังเกตที่ตัวเรนกับตัวออฟอเขียนได้กอไก่เหมือนกันจริงๆแล้วมันออกเสียงต่างกันไม่ใช่ตัวเกนไม่ใช่ตัวเคมไม่ใช่ตัวเงนแต่จริงมันคือตัวเรนการออกเสียงตัวเรคล้ายๆกับเรากําลังอมน้ํา แล้วเราก็กลัวคอแบบเนี้ยแต่กลัวสั้นๆเกรย ร, รอ่าเนี่ยตัวเรนส่วนตัวออกคือตัวกอไก่ที่เต็มปากอออไก่ไม่ใช่กอไก่คอไก่ไกนะอีกรอบนะว่ามีนชิดในรอสิกินอิลาวกอบ อ่สมมติว ah. <t> ่าได้ว่ามิชรินนาฟซาติฟินอุกอดว่ามิชริฮัสิดินอิฎาฮัส่ต อ่ายินด้วนะครับผมคารนิปเอาจริงแล้วนะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีมทุน้าอุบมดูบรับฟลักมิชั่งเลมักฮ <kita> mm ัล hmm. ก วَ م ِ <ت ص في ق> ن นชั่รลี غ ا ِ ق ٍ إ ِ ذا วกَว่ามินชัِ่นัฟฟาต ع ฟ ق ุกั وَمِ شَرْ ل ่ ح َ ا س ِ د ٍ إ ِ ذا س َ د ด ผมก็ขอฝากไว้ท่านี้นะครับส่วนเดือนต่อไปก็พบกับซูรออันอีคลาสนะครับอัสลามูอะลัยกุมุลลอฮ์มะตุลลอฮ์มอบบารััุล والصلاة والسلام على رسوله الكريمأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อิมามอับดุลว์นีบริสุทธ์เป็นตัวแทนของสมาคมเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมร่วมกับ ตึกอัญมณนอิสลามหากที่จเจริญกรุงท่านพี่น้องที่มาร่วมรับฟังตักสิดอัลกุรอานซึ่งผมนำเสนอกับท่านพี่น้องซูระตบารากันลยีบียาดิลมุลกุวะฮุวาลาคุลิชาอิงกอดีติดต่อกันมานะครับ หลายเดือนแล้ววันนี้เราอ่านมาถึงอ่านมาถึงถึงสุระใช่ไหมอ า, อายะที่อายะที่เท่าไหร่นะพี่น้องลืมไปแล้วยี่บสามนะทำดู <c oughs> สิจ้สุรสุรตาบารกันลัดีอายะที่ยี่สิบสามนะ พี่น้องอ่านคุณอ่านกันออกแล้วทุกคนใช่ไหมลนะ่ะนะครับผมจะอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังอ่านก่อนนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากไซยตอนที่ถูกสาปแช่งอธิบายเรื่องไซยตอนนิดหนึ่งพี่น้องไซยตอนเป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนมนุษย์นี่แหละ ยินชัยตอนเนี่ยถูกสร้างมาเหมือนมนุษย์มนุษย์ถูกสร้างมาจากดินมาลายกาถูกสร้างมาจากรัศมีชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟยินถูกสร้างมาจากเปลวไฟนิ่ใครบอกไปน้องอัลลอฮ์เล่าในวารสารพีกุรอานมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากดินนะครับการสร้างมนุษย์เนี่ยมีอยู่สแบบี่น้อง แบบที่หนึ่งสร้างอาดัมไม่มีทั้งพ่อและไม่มีทั้งแม่น บ, บีอาดัมคนแรกที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยไม่มีพ่อและมีแม่นะลองลงมาครับแบบที่สองอัลลอฮ์สร้างคาวาภรรยาของอาดัมเนี่ยผ่านพ่อไม่ผ่านแม่คาว่าผ่านพ่อก็มาจากซิกโครงของอาดัม นี่เป็นคำสอนจากกุรานนะครับแล้วต่อมาประเภทที่สามสร้างนาบีอิสอาลาฮิสาลามผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อสร้างอาดัมทุกคนยอมรับหมดสร้างฮาวะมาจากอาดัมทุกคนยอมรับหมดแต่พอสร้างนาบีอิสาผ่านแม่มีปัญหา บางคนมองว่าน บ, บีอีสาเป็นลูกอัลลอฮ์เลยแต่ความจริงไม่ใช่ลูกอัลลอฮ์เพราะเราอ่านในกัมภีร์คุรานในคุรานสอนเราว่าอัลลอฮ์ไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่มีภรรยาอัลลอฮ์ไม่มีพ่อไม่มีแม่อายะคุรานตรงไหนครับกุลที่อ่านเมื่อกี้เนี่ยตอนเปิดประชุมเนี่ยกุลฮุวัลลอฮอหุอาฮะ a l l ล h u sammade lam y y a h ะอนี้ในสุรานี้ต่างหากที่บมบอกว่าอัลลอ์นั้นมีองค์เดียวเอกะ Allahu a h Allah ah นะครับคุลหัวอ l l a h u a h a Allahu s มัดอัล a l าเป็นที่พึ่งทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่องอัลลอฮ์หมดพี่น้อง พี่น้องตัวพวงเองที่นั่งอยู่ในตึกอัญมา์นเนี่ยต้องพึ่งอัลลอฮ์หมดก่อนจะออกจากบ้านพึ่งอัลลอฮ์เปล่าอันดุวาว่าไง่านะตอนออกจากบ้านนะบิสมิคัลลอฮฺ ม, มะอะมุตุวาอะฮฺยาไปว่าอะไรครับบิสมิคัลลอฮฺบิสมิลลาห์ฉันออกจากบ้านด้วยนามของอัลลอฮฺบิสมิลลาห์แต่ว่าวกันตัฉันขอ มอบชีวิตของฉันมอบบ้านของฉันและคนที่อยู่ในบ้านนีลเอาลดูแลบิสม all ah ิลลาห์โทรการุอัลลอฮฺวาลาฮาลาวาลากูวะตะอิลลาบิลลาไม่มีอำนาจใดที่จะให้เราสูงส่งหรือตกต่ำนอกจากอัลลอฮ์องเดียวตอนจะออกจากบ้านเนี่ยเราพึ่งอัลลอฮ์สามรายการนะรายการที่หนึ่งฉันออกจากบ้านด้วยนามของอัลลอ์ รายการที่สองฉันมอบหมายชีวิตของฉันและสิ่งที่อยู่ในบ้านของฉันเนี่ยอย่างคุณแม่คุณพ่อนอนอยู่ที่บ้านไม่สบายหรือป่วยอลัลลอฮ์ดูแลแทนฉันต่อยนะและดูแลตัวฉันเองด้วยขับรถมาก็อลัลลอฮ์จะดูแลรถฉันด้วยอย่าให้มีปัญหาเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นเราต้องมอบหมายตนต่ออลัอลลอฮ์ตลอดเวลาอัลลอฮฺซัมัตลัมยลิดอลัลลอฮ์ อัลลอฮ์ไม่ไม่ประสูตดและถูกประสูตดพระพูดอย่างนี้มันงง ง, งอะไรอัลลอฮ์ประสูตดใม่ประสูตดอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่และอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นลูกของใครเห็น ไ, ไหมอัลลอฮ์พระกุมารนี้ยิ่งใหญ่พี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์สร้างนาบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อมีปัญหาทันทีและต่อมาครับและอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์แบบที่สี่ก็คือผ่านพังพ่อแล้วก็ผ่าน แม่อย่างพวเราวันนี้ที่เราเรียกว่าเป็นกฎธรรมชาติแต่อีสามรายการนั่นเรียกว่ากุศล ต, ตุลลอเป็นความสามารถของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาละพี่น้องใครที่เข้าใจเรื่องอัลลอฮ์นะคนที่เข้าใจเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเรียนเรื่องอัลลอฮ์เรียนเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เรียนเรื่องสิ่งศักของอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์ให้เข้าใจ ผมขอย้านะพี่น้องเรียนเรียนเรื่องของอัลลอฮ์ว่าอ AH ัลลอฮ์น่ยมีสีทธิ์เท่าไหร่นะเก้าสิบเก้าพระนามแล้วก็เรียนรู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เรียนรู้เรื่องคมฟีของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งมาพี่น้องก็คืออัลกุรอานแล้วก็เรียนรู้เรื่อง มุฮัมมัดซึ่งเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นผู้นําในพี่น้องคนสุดท้ายในยุคเรานี่พี่น้องเรียนแค่สามเรื่องพี่น้องเรียนเรื่องอัลลอฮ์เรียนเรื่อง Allah, เรียนเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เรียนรู้เรียนรู้เรื่องกุรานของอัลลอฮ์คุรานศาสนาเนี่ยมันของอันเดียวกันเรียนรู้เรื่องนบีมุฮัมมัดที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาพี่น้องอัลฮัมดุลิลัยพี่น้องท่านเป็นมุสลิมแล้ว หเรียนเรื่องอัลลอฮ์สองเรียนรู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์สมเรียนรู้เรื่องคุรานของอัลลอฮ์สี่เรียนรู้เรื่องคนที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาเป็นบุคคลตัวอย่างชื่ออะไรนะนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮุวะสัลลัมพี่น้องก่อนจะอ่านอัลกุรานให้ท่านพี่น้องฟังอยากคุยนิดหนึ่งสัฮาบะฮ์นบี ทำไมผมต้องเอาซอฮาบ้านนบีมาอธิบายคําว่าซอฮาบ้านนบีคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับท่านนาบีเมื่อตอนท่านนาบียังมีชีวิตอยู่ในพี่น้องคนที่รับนําถืออัลอิสลามพี่น้องวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องไม่ใช่รับกันง่ายๆในพี่น้องนะขนาดจะรับมาแล้วนะรับนับถืออัลอิสลามแล้วตกมุสตัดไปตก็เยอะ ขอยกตัวอย่างพี่น้องทําไมจึงตกมรุรตัตออกนอกศาสนาทิ้งศาสนาไปเลยพี่น้องวันที่นบีขึ้นมีอรอดรู้จักครับว่าเมีอรอดเคยได้ยินใช่ไม่มมีอิสระเมีอรอดอิสระกับเมีอรอดพี่น้องอิสระแปลว่าการเดินทางในเวลากลางคืนหรือค่ําคืนเดินทางจากไหนเดินทางจากมักกะ มาที่เมืองเยรูซาเลมอัลอักซอปัจจุบันนี้เดินทางแล้วก็จากเนี่ยจากอัลอัอุสเนี่ยขึ้นไปโดยใชยบูรอกเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งที่อัลลอ์ส่งมามอบมาให้ท่านนาบีมุฮัมมัดขี่ร่วมกับท่านยิบรีลอะลัยฮิสลามขึ้นไปข้างบนพี่น้องพอนบีมุฮัมมัดไปรับนามาดมา พอลงมาพี่น้องลงมานา ม, มานา ม, มาสุบโบที่มักกะทันขึ้นไปเรากลักบคืนนั่นเลยนะเรากลับทางอัลอาอัอลซอก็อกรู้หมดเลยนัาอักหเห็นเหตุการคนที่เดินจากมักกะไปอัลซอเนี่ยราวางท <picture S 2> างเห็นใครแต่ใครนบีเห็นหมดพี่น้อง นบีเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ฉันขึ้นไปเมือรอชมาไปเข่าเฝ้าอัลลอฮ์ไปรับนมานมาคนที่รับเป็นมุสลิมอยู่แล้วตกมุสตัะบอกฉันไม่เชื่อฉันเชื่อเอพราวันนั้นไปน้องครับระหว่างมากักกะกับมัมกกะกับเมืองอัลอักซอเนี่ยเมืองเยรูซาเลมวันนี้ไปน้องครับถ้าเดินทางวันนั้นน่ะใช้อูดเดินสองเดือนน่ะ ใช้อูดเดินสองเดือนตอนนี้นบีอูดขึ้นบินกวไม่มีอะไรก็ไหมมีแล้วก็นบีมาเอาซอร์การเอาซ อ, า อ, า อ, าอขึ้นไปเข้าฟาร์วอลน้อยแล้วกลับมามาการ์นี่มันเป็นไปไม่ได้ไปน้องเขาเชื่อก็คิดไม่ถึงไงไปน้องตกมุตม ต, ตัดไปเลยฉันไม่เชื่อเห็น ไ, ไหมพอไม่เชื่อปั๊บ ที่เชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นระสูลของอรด์ตบหมดเลยพี่น้องหลายแค่ไม่เชื่อวัานาบดีขึ้นเมอรอดพี่น้องลายพวกเราก็เหมือนกันวันนี้พี่น้องการที่ผมนําเอามาเล่าต้องการจะเตือนตัวผมเองว่าถ้าท่านพี่น้องอ่านคัมภีร์กุรานเนี่ยบางทีคัมภีร์กุรานอธิบายเรื่องสิ่งที่เร้นลับซึ่งสติ ป, ปัญญาของเรามันนึกไม่ถึงพี่น้อง ต้องเชื่อเลยนะเดี๋ยวค่อยๆพิสูจน์กันต่อไปเอาล้อนี้ไปน้องสมัยโกนเนี่ยเราเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าอย่างเราเนี่ยจะเดินทางไปทำฮัทเนี่ยสมัยกนันใช้เรือเดินทางกี่วันไปน้องกี่วันไปน้องเป็นเดือนนะแล้วต่อมามานั่งเครื่องบินใช่ไหม แ้วก็สมัยเรือพี่น้องหลายก็นึกภาพไม่ออกแล้วจะนั่งเครื่งบินไปทำยังไงไปทําำพยธียังไงไปน้องนึกภาพไม่ออกอ่ะแต่วันนี้อัจจะทำเลีลาไปไหมไปจากมาการไปแกรุสซาเลมเนี่ยแค่สองสาชั่วโมงถึงก็หมดแล้วไปน้องจากกรุงเทพมาซาอุดีนี่ไปซาอุดีแค่เจ็ดชั่วโมงไปน้องมันมาได้ยังไงพี่น้องถ้าส่วนนบีขี่บุรอกี่มันแป๊บเดียวพี่น้องฉะนั้น ใ้าเราเชื่อตามอัลกุรอานพี่น้องแล้วก็ค่อยพิสูจน์ทีหลังแต่หากจะรอพิสูจน์หมดเลยพี่ น, อน้องทั้งหลายครับพวกเราไม่มีโอกาสได้เป็นมุสลิมสักคนหนึ่งด้วยทั้งหลายเอาที่ท่านนาบีสอนว่าใครที่ถือสุนอดในเดือนรมาบอนใช่ไหมอลัลลอฮ์จะให้ประตูสวรรค์ชื่อว่าอะไรนะรอยยานอา่าพี่น้อง ชื่อว่าประตูไรา ย, ยานคนที่ถือสินอดในเดืดอ น, นอละมาอนพี่น้องเราจะเข้าประตูไรา ย, ยานเนี่ยมันต้องรอตายก่อนฟื้นขึ้นมาอยู่ในทุ่งมาซัตนี่อัลลอฮ์เล่าในในตัวฮะดีษท่านอบีในอธิบายไว้พี่น้องกว่าจะเห็นเมื่อไรครับต้องตายก่อนเนี่ยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาถึงจะเห็นตัวประตูไรา ย, ยานที่อลัลลอฮ์จัดไว้สำหรับคนพน้องที่ถือสินอดต้องใช้เวลานานเท่าไหรพี่น้องหลายนะครับนานมากครับ เอาล่าใา้พี่น้องฟังนะครับว่ามีสาวบ้านนบีเนี่ยคนหนึ่งพี่น้องไม่สบายพอไม่สบายก็มีคนมาเยี่ยมพอมาเยี่ยมก็คนที่ไม่สบายเนี่ยร้องให้ร้องรองร้องแล้วก็หันหน้าเข้าฝาผนัง คนเขานั่งอยู่ลูกก็นั่งอยู่ไม่มองลูกล้มองฝาผนังแล้วก็นั่งร้องไหน้นอนสินอนร้องไห้พี่น้องสะอื้นสะอื้นสะอื้ น, นแล้วก็แขกมาเยี่ยมลูกชายของคนที่ป่วยคนนี้พี่น้องก็ถามว่าคุณพ่อนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่เคยแจ้งข่าวดีผ่านคุณพ่อบ้างหรือ นบีมุฮัมมัดเนี่ยเคยแจ้งข่าวดีผ่านคุณพ่อบ้างไหมพ่อก็นึกได้ใช่ใช่นบีมุฮัมมัดเนี่ยเคยแจ้งข่าวดีให้กับพ่อเนี่ยหลายรายการทีนี้ก่อนที่เขาจะเล่าว่าหลายรายการที่ที่ไรนะที่ท่านนบีแจ้งเนี่ยท่านเล่าอย่างนี้พี่น้องท่านเล่าบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพี่น้องเท่าไหรนะครับ ทำบาปไว้สามรายการทำความผิดไว้น่ะสามเรื่องใหญ่ๆพี่น้องเรื่องที่หนึ่ง <c oughs> เรื่องที่หนึ่งพี่น้องเขาบอกว่าฉันเนี่ยนะไม่เคยไม่เคยคิดดีกับน บ, บีมุฮัมมัดเลยออ <c oughs> ลเนี่ยเรื่องใหญ่นะคนที่คิดไม่ดีกับน บ, บีมุฮัมมัด บอกว่าไม่มีใครที่จะเป็นคนที่ฉันบังเกีิดมากเท่ากับมุฮัมมัดนี่คนที่คิดแบบนี้วันนี้ยังมีในโลกไหมมีไหมเยอะนะพี่น้องที่หนังสือพิมพ์แถวฝรั่งเศสที่เขียนการ์ตูนด่านบีฮะมัดพราะเรื่องนี้ใช่ไหยคนที่คิดไม่ดีกับมุฮัมมัดชายคนนี้เล่าบอกฉันเนี่ยไม่ไม่เคยคิดดีกับใคร มูฮัมหมัดนี่ฉันไม่เคยคิดดีกับมูฮัมหมัดเลยนี่เรื่องที่หนึ่งพี่น้องเขาสํานึกตัวนะพี่น้องนะแล้วเรื่องที่สองนะฉันเนี่ยอยากจะจับนบี ม, มูฮัมหมัดแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะฆ่านาบี ม, มูฮัมหมัดด้วยอ mm. ๋อหรอนี่เป็นคําสารภาพที่ที่ตัวเองเนี่ยวันนี้สํานึกตัวแล้วนะชาติที่หนึ่งฉันเนี่ยไม่เกลียดใครถ้ากเกลียดมูฮัมหมัด สองถ้าฉันจับมูฮัมหมัดได้ฉันก็จะฆ่าน บ, บีมูฮัมหมัดข้อที่สถ้าหากฉันอยู่ในสภาพสองรายการสภาพสองรายการอะไรครับฉันนี่เกลียดมูฮัมหมัดสองถ้าเห็นหน้ามูฮัมหมัดอยากจะจับตัวแล้วก็เข็นฆ่าน บ, บีมูฮัมหมัดนี่เรื่องเลวที่สุดพี่น้องทั้งหลายนะครับ แล้วชายคนนี้มาสานึกตัวข้อที่สามถ้าฉันอยู่ในสภาพนี้ถ้าฉันตายฉันเป็นชาวนรกแน่นอนสามเรื่องได้ไหมพี่น้อง<า>มผมนำเอาเรื่องซอฮาบ้านะบีพี่น้องที่เรียนาศาสนากับท่านนบีมาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเพื่อที่จะบอกให้ท่านพี่น้องรับรู้ว่าใครที่คิดไม่ดีกับนบีมุฮัมมัดบาป เนี่ยแค่ชั้น้องบนว่าบวชทำไมมีประโยชน์เรืเลยเพรามัดเนี่ยเอาบวชว่าทำอะไรนันเห็รู้บวชปีที่แล้วกี่วันนะยี่สบเก้าวันใค่พี่น้องเข้ารู้มว่าเนี่ยหมอเนี่ยพี่ผมไปโรงพยาบาลมาหลังจากออกบวชได้ห้าหกวันเป็นไข้ พอตะวันตกดินแล้วเป็นไข่เป็นมาสี่วันห้าวันหาสาเหตุไม่เจอเอาคนที่บ้านก็นเป็นห่วงไปไปไปไปหาหมอเอาไปพอไปหาหมอหอเช็ครัางการเช็คน้องเช็ดนี่หมดหลายบาทไปน้องไม่มีอะไรเลยเแลาวทำไงแต่ว่าอนุ่นก็ดีอนันก็ดีดีหมดเลยอะ่ะหมอก็บอกว่าที่ดีเนี่ยผลจากการถือสินอด เห็นไหมพี่น้องคนกาเฟตยังรู้เลยว่าการถือสินอดเนี่ยเอาล่อทำให้สุขภาพเนี่ยดีมากๆเลยเลยแล้วก็น้ำหนักก็โอ้โหกำลังกำลังดีเลยพป่น้องไม่ถึงหกสิบนะไม่กว่าหกสิบกว่าไม่ถึงเจ็ดสิบหกสิบแปดเอาล่อพี่น้องีนหมอวันลดมา อ, อีกสามกิโลนะหกสิบห้าจะแจวมากเลย ผมบอกทําได้เดี๋ยวผมโบสต่ออีหกวันพี่น้องคนกาเฟ่ยอมรับหลักการอัลอิสลามว่าการแค่ถือสินอดนะทําให้สุขภาพดีอย่างนี้พี่น้องและเรากับอัลลอฮ์น่ยจะดีขนาดไหนพี่น้องเพราะเราไม่ได้เนียถือซื้ออดเพื่อให้น้ําหนักลดใช่ไหมเราไม่ได้เนียดเพื่อให้หุน่นสเลนเดอร์ใช่ไหมเราไม่เนียดที่จะทำให้เบาหวานลดใช่ไหมไขมันลดเนียดปาไม่ได้เนียดเลย เราอย่างเดียวอีมานั้นวัดดิสาบันถือสินอนแระวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอและให้อีมานเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอัลลอฮฺพี่น้องเท่าไหร่เรา้นเหนือเพื่ออัลลอเพื่ออีมานแต่คนที่ไม่รู้จักอิสลามพี่น้องคบมองเป็นวัตถุหมดเลยนะหุนเซเลนเดอร์เราหวานใหม่มีไขมันใหม่มีโอ้พี่น้องดีหมด ใจเราไม่ต้องการในใจเราปฏิเสธทุกเรื่องสวัสทั้งหมดนี่เราทำเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาบูวาตาละเพื่อนครับเพราะฉะนั้นมองภาพนาบีมูฮัมมัดต้องมองใหม่นะไม่นบีมูฮัมหมัดไม่ใช่คณะใหม่พื่น้องผู้ต้องมองใหม่นะนบีมูฮัมหมัดเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่วาฮาบีนะไม่ใช่โกลมูโดนะพื่น้องไม่ใช่คณะใหม่ไม่ใช่เพื่น้องนบีมูฮัมหมัดเป็นตัวแทนของใคร ของอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาะเน้องและเรื่องแรกที่ท่านนาบีมาสอนอะไรรู้ไหมครับละอิละฮะอิลลอห์นิชายที่ผมเล่าไว้ท่านพี่น้องฟังที่ตำหนินบีสองเรื่องและพูดว่าต่หากฉันนี่นะอยู่ในสภาพนี้นะฉันตายฉันต้องตกนรกแน่ๆแต่วันนี้ชายคนนี้พี่น้องครับเปลี่ยนนิสัยแล้ว เห็นหน้านบีนี่ยอัลลอ์พี่น้องรักเหลือเกินพี่น้องถามว่าพวกเราวันนี้เคยเห็นหน้านบีไหมไม่เคยเห็นแต่พี่น้องเราภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของที่ท่านนบีสอนทำดูเลยพี่น้องคัมภีร์กูอ่านทั้งหมดน่ะสามสิบยุดน่ะอัลลอฮ์ส่งวห์ผ่านใครพี่น้องผ่านนบีมุฮัมมัดสลลุสุลลม ถ้านาบีไม่มีกณอ่านเล่มนี้ก็ไม่มีพี่น้องอ๋อพี่น้องยิ่งใหญ่ฉะนั้นพี่น้องต้องสารเสริจนบีมุฮัมมัดเยอะพี่น้องนบีสอนอย่างนี้นะครับ ฉันนี่นะเป็นชาวสัฮาบะนบีเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีเนี่ยนะมาน่วยดูชะฮะด่ทูอัลเลาะห์อิลลฮ์อิลลัลลอฮ์วะอันนมุฮัมมัดอราะซูลลอฮ์พวกเราเป็นสัฮาบะของท่านนบีนับว่าการกล่าวว่าลาอิลลฮอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะอันน์มุฮัมมัดอッราะซูลลอฮ์และแท้จรงมุฮัมมัดเป็นตัวซูลของอัลลอฮ์นี่นะ ยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดนี่สวาบาลานบีประกาศ ต, ต่อหน้าประชาชนวันนี้เราก็เดินตามสาบาลท่านนาบีนะครับพี่น้องแล้วกล่าวว่าไงนะละอิละฮะอิล hmm. ล il ัลลอฮ์มูฮัมมัดุลรัสรุลลอฮ์ชายคนนี้เล่าให้ลูกฟังฉันเนี่ยไปหาท่านนบีไปหาท่านนา บ, านนาบีตอนมีชีวิตอยู่นะไปหาท่านนาบี เสร็จแล้วฉันเนี่ยไปทำสัตยาบันสัตยาบันไปทำสัญญากับท่านนาบียื่นมือไปจะจับมือกับท่านนาบีพอนบียื่นมาฉันเอามือหดฉันเอามือหดนบีถามละหดมือทำไมอ่ะกุศามาหาฉันจะจับมือเข้บฉันจะทำสัตยาบันกับฉันพอฉันจะยื่นมือมาเอามือหด แล้วก็ชาคนนี้บอกว่าฉันขอสัญญากับท่านนาบีนะรับอิสลามเนี่ยได้อะไรถามท่านนาบีพี่น้องฉันจะทิ้งศาสนาเก่าของฉันน่ะที่บูชารูปเจ้าเว็ฉันจะทิ้งแล้วจะหันมานับถืออัลลอฮ์องคเดียวและนับถือท่า น, นเป็นรลัูลของอัลลอฮ์เนี่ยฉันได้อะไรอัลลอฮ์เป็นคําถามดีไหมพี่น้องดีมากนะครับพี่น้องเสร็จแล้วนบีตอบ น บ, บีบอกว่าอคุณไม่รู้หรืออมามะอัลิมตยาอัมรุชื่ออัมรุชื่ออัมรุคนที่เล่าให้ลูกฟังชื่ออัมรุน บ, บีถามว่าอัมรุเอ๋ยอันนั้อิสลามยาดีมมมากะนากรบลาหูคุณไม่รู้หรือใครที่มารับนับถืออัลอิสลามพี่น้องการรับนับถืออิสลามในเรื่องใหญ่เลยพี่น้องนะ กว่าจะเปลี่ยนได้พี่น้องมาใจ่เปลี่ยนกันงน่ายๆนะยากมากพี่น้องทิ้งบูชารูปจเจวิตใช่ไหมเคยบูชาต้นไม้ใช่ไหมเคยเคยไปบูชาดวงอาทิตย์ใช่ไหมเคยบูชาเจ้าที่ใช่ไหมเคยบูชายินไชยตอนใช่ไหม แลาผ่านมาหมดชีวิตนะกาบมาหมดแล้วพี่น้องทั้งหลายจะเลิกกาบสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็หันมาเคารพพักดีในอลัลลอฮ์องเดียวพี่น้องครับต้องคิดหนักหนึ่งพ่อแม่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมพี่สาวก็ไม่ได้เปลี่ยนแล้วเรามาเปลี่ยนอยู่ในบ้านคุณเดียวพี่น้องถามว่าคิดหนักไหมหนักพี่น้องฉะนั้นมันเรื่องใหญ่มากครับพี่น้อง วันนี้ก็เหมือนกันคนที่เรียนสุนนะพี่น้องคนที่เรียนสุนนะเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องสุนนะเรื่องเน้นอิสลามอย่างเดียวอิสลามแบบไหนก็ได้อิสลามแบบอะไรนะแบบแบบแบบอะไรนะ่ะแบบประเพณีปฏิบัติแค่เป็นแขกอย่างเดียวพอเลยคร เดี๋ยวนี้มาสนใจสุนนะแค่สนใจสุนนะชาวบ้านเริ่มตำหนิพี่น้องเอาไปเอาสุนนะมาเรียนอยู่แล้วเห็นไหมถามว่าคําว่าสุนนะเนี่ยใครเป็นคนกําหนดพี่น้องชื่อเนี่ยใครกําหนดหรือเปล่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตับเป็นผู้กําหนดเองพี่น้องไม่ใช่คนอื่นกําหนดนบีกําหนดนบีสอนอย่างนี้อะไลกุมบิสุนนติท่านทั้งหลายถ้าจ้องการจะเป็นมุสลิม ท่านจะต้องเรียนความรู้สุนนะจากฉันคําว่าสุนนะอธิบายครับสิ่งที่ท่านนาบีพูดเป็นสุนนะสองสิ่งที่ท่านนาบีปฏิบัติเป็นสุนนะสุนนะแปลว่าแนวทางพี่น้องเป็นแนวทางของฉันที่อัลลอฮ์พอใจเอาเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างจะดื่มน้ำพี่น้องแก้วอยู่หน้าท่านเนี่ยก่อนจะเป็นมุสลิมพี่น้องพี่น้องไม่ได้เข่นคัดเท่าไรเลยว่าจะกินน้ํานวยมือซ้ายหรือมือขวาใช่หรือไม่ใช่ กิมือไหนก็ได้ใช่ไหมครับกรรมมือของเราที่ทัานมีมือสองมือพระเจ้าให้มาเนี่ยมือไหนก็ได้ใช่ไหมพอมาเป็นมุสลิมปั๊บเป็นอิสลามปั๊บนบีศอเลยต้องทานต้องดื่มน้ำด้วยมือขวาคำสั่งมาเลยต้องมือขวาแล้วก็ก่อนที่จะดื่มต้องกล่าวว่าไงบิสมิลลาห์ข้าซอนไปเนาะข้างบนซ้ อ, อน ผ่านอับดุลมามาโซโลอนมาสามฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมไปน้องครับพอเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยถ้าหากไม่เรียนถ้าไม่เรียนกับเรียนต่างกันไหมโอ้โหถ้าไม่เรียนเนี่ยอรอไปน้องกินน้ําก็กินไม่เป็นจะดื่มน้ําก็ดื่มไม่เป็น เวลาอิมแล้วไปน้องแล้วก็ว่าอะไรไม่เป็นเหมือนกันถ้ามเมรียมศาสนาจะขึ้นรถอุซาขื้นรถมาหน่ะสามล้านน่ะรถอย่างดีดีห่อยอย่างดีนั่งรถอ่านดุอาไม่เป็นเห็นยังไปน้องนั่งรถอ่านดุอาไม่เป็นเห็นไหมนอนก็อ น, นอนไม่เป็นอ้าวไปน้องอ้านอนตามที่ท่านอบี๋ยสอนนอนยังไงคุยตรงนี้เลยไปน้อง ก่อนนอนไปน้องต้องแปรงฟันก่อนก่อนนอนต้องอาบน้ำนำมาก่อนก่อนนอนให้ตะปัดที่นอนก่อนการตะปัดที่นอนใครตะปัดก็ได้ผลลบุญในการตะปัดที่นอนอัลลอฮฺให้คข้าพิธงต่อไปก่อนจะนอนไปน้องยกมือขึ้นท่านแบบนี้แล้วก็เป่าก่อนเห็น ไ, ไหม อย่าเอามือกลางนะเอามือติดติดกันวางไว้ใต้ค า, างพี่น้องละตาต้องมองด้วยอย่าลอฉันเนี่ยขอตัวอานต่อรอนนะอ่นลลานสามกุนกุลหุวาหัวัดอ่านให้จบนะแล้วก็กอลกัลาาลาฮฺอัออลลอ์ฺอัลลอฮาอัลลอฮฺะัลลอฮ็อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัาลอฮฺอัลลอฮฺอลลอฮฺอลลอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลล้ฮฺอัลลอฮฺาัลลอฮฺอัลลัลล ใครสอนพี่น้องอัลลอฮ์สอนก่อนเป็นมุสลิมเคยทำไหมไม่เคยทําเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นคนที่นอนไปน้องครับแล้วตอนนอนทําะไรไปน้อนล่ะเอามือขวาจับแก้มขวาแล้วนอนตะแคงขวาต้องจับนี่เพราะนบีทําให้สอนให้จับเราไม่รู้ว่าไอ้จับกับไม่จับมันแตกต่างกันยังไงนี่ ต, ต่อไปอีกสักสิบปียี่สิบปีมีนักวิทยาศาสตร์ไปวิจัยว่า ถ้าจับแก้มตอนนอนจะทำให้หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวผลมันจะออกมาต้องไม่รู้ตอนนี้อ่ะเพราะยังไม่มีใครวิจัยอ่ะแต่ไปวิจัยว่านอนตะแคงขวาได้ยังไงนี่หมอโรยบาลเสริราชเนี่ยผมอ่านจากหนังสือพิมพ์บ้างฟังบิธียูบ้างเขาโบ้หูดีมากนะนอนตะแคงขวานั้นทำให้สุขภาพดีเพราะว่าไม่มีอะไรมาทับที่หัวใจ เพรหัวใจมันอยู่ด้านไหนอ่าเห้ยไม่พี่น้องพอนอนตะแคงขวามไม่มีอะไรมาทับหัวใจนอนแค่สามสี่ชั่วโมงโอ้โ ห, โ, ห โ, หโหพี่น้องได้เปจริงใหญ่แต่มีอยู่คนหนึ่งพี่น้องเก็บภาพวิดีโอเอาไว้อวิดีโอหลายตัวเลยมานอนฉายตัวเองอะ่ะคนนี้ไม่เอาไม่เอาอิสลามไม่เอาสุนนนาบีมากำกับชีวิตพี่น้องก็นอนตามที่ ที่ได้มาตอนเล็กๆ เ, เลยพี่น้องบิสมิลลาห์ก่อนไม่เคยว่าสามกุณแจก็ไม่เคยอ่านแปลงฟันก็ไม่มีอาบน้ําน้ามายก็ไม่มีพี่น้องก่อนถึงพองเห็นเห็นที่นอนก็เสือหัวเลยปวดนอนเลยพี่น้องปรากอดเพว่าเวทีในั้นะนะวิดีโอนี่มันจับภาพอ่ะตอนตีสามตีสองพี่น้องตัวนี่มันลอยขึ้นมาพี่น้องซื้อวิดีโอมาลองทํำดูสิที่ไม่เอาสุ น, นัขนบีเอาไปกํากับชีวิตน่ะ ตัวนี่มันลอยขึ้นมาไปน้องเขาว่าเอ๊ะมันลอยมาได้ยังไงอ่ะฉันทำอะไรผิดล่ะถามว่าใครอุ้มอ่ะอ่านี่นะพอพอพูดปับอธิบายได้เลยว่าคนที่อุ้มนั่นไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่หมายถึงมิสเตอร์ไซตตอุ้มคือไปไปน้อง้อยไปน่องไปน้องแล้วก็แทกตกลงมาตกใจอ่ะ ใ <_ t iny> ห้หมาผลจากการที่เรานี่ไปพิสูจน์ตอนหลังเพื่อเห็นและไอ้คนก่อนหน้านี้น่ะเมื่อร้อยปีที่แล้วน่ะไม่ได้นอนตามพี่ท่านนาบีสอนถามว่าขาดทุนเปล่าเี่นันการนอนที่มีผลละบุญในวันอาคิร์หลังจากตายก็มีผลละบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ฉะนั้นการดื่มนาม้าการนอนการเข้าห้องน้ำพี่น้องถ้าเดินปฏิบัติตามสุนนะนบีมีผลละบุญตอบแทนจากอัลลอ์ทุกรายการ ทำอยู่เลยแล้ววันนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังกำลังศึกษาข้อมูลจากที่สิงห์ท่า น, นาบีพูดหมดเลยไปมองค่อยๆศึกษาไปว่าไม่ถึงเนี่ยแปลงฟันแปลงฟันมีสองระบบระบบหนึ่งระบบที่ท่านอบีสอนก็คือใช้มิสวาในซาอุดีมีขายเยอะในปากีอินดียมีขายเยอะไปนาะใชาถูยอย่างนี้ อีกระบบหนึ่งก็ใช้ยาใช่ไหมถูกไปพี่น้องนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับอุลมะประชุมกันวิจัยพี่น้องรีเสิร์ชได้ข้อมูลว่าถ้าใช้แปรงสีฟันระบบสมัยใหม่นี่นะรักษาปากไม่ให้เหม็นไม่ให้แบคทีเรียเหม็นพี่น้องครับแค่ครึ่งแค่ครึ่งชั่วโมง รักษาปากให้หอมได้ไหมได้นานเท่าไหร่ครับครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบห้านาทีเท่านั้นเองแต่ถ้าใช้มิสวาที่ท่านนาบีสอนรักษาแบคทีเรียไม่ให้ปากเหม็นเท่าไรหร่รู้ไหมสองชั่วโมงเอาเลือกเอาสำหรับผมใช้สองรายการเลย <laughs> ชายแบบสมัยใหม่ก็เอาของศุนย์น่านดับบีเป็นสองชั่วโมงครึ่งดีไมด่ดีโอพี่น้องมิสม่าไม่ค่อยถูกมั้ยถูกจะตายพี่น้องลงทุนบาต้องลงทุนถูกกว่าชายายี่ห้อต่างๆอีกพี่น้องโอ้ถูกก็ตั้งเยอะพี่น้องทำสองอย่างดีไหมดีสองอย่างผมใช่สองอย่างมันจะเอาตามผมก็ได้ที่ผมนึกเองอ่ะอาจจะผิดก็ได้เพื่นอนอะไรเอาพี่น้องมาดูกุไร q u r a n surah lainnya, tabarakan dari dia dihil mulgu. Wa ala kulli shayin kodi Quran ayat yang 23, di nong na. Kulhuwalan shakum, wajalakumussamawal abzara walafida, qalilam tashkuru. Allah u akbar. Anda cuba b a m i r a k p a h u makna, kalau tahu, b a n y a k Binong. Kul huwali l a anshakum, a wajalakum a l a u s s a m a h al-abbasah, al-afida, qalilah ma tashkurun. Allah, d u h a kampai. b i n o n kampai ada di sini. Kul Allah s a n g k a p Nabi. วไว้ลงมารีวิลเลชกับนบีมุฮัมมัดเอ๋ยจงสอนจงดาว่าจงตัปลีว่าไงครับคุวัน ล, ละีพระองค์อัลลอฮ์คือผู้ทรงอันชาอักุลมผู้ทรงบังเกิดสูเจ้าใครกล้าคุยหรือเปล่าว่าฉันเนี่ยบังเกิดมนุษย์ที่นั่งอยู่ในมัจลิสเนี่มีใครกล้าไหมฉันเนี่ยเป็นผู้สร้างมนุษย์มีกล้ามไม่มีใครกล้าพูด แต่อัลลอฮฺพูดฉันเป็นผู้สร้างสู่เจ้ามาการสร้างมนุษย์เราอธิบายแล้วนะครับหนึ่งสร้างมาจากดินสองสร้างมาจากน้ำอาซูจิน้ำาซูจิมาอยังไรไปน้องไปนอ้ปนองต้องไปเรียนแพทย์อีกกี่ปีถึงจะรู้เรื่องไปน้องจากน้อาอสซูจิเป็นก้อนเลือดเห็นไม้มนี่ท่านนาบีสอนอธิบายเข้าใจง่ายๆเปลี่ยนจากก้อนเลือด มาเป็นก้อนเนื้อน่ะสี่สิบวันเอาลอไปน้องพอครบร้อยี่สิบวันเอาล็อจะเป่าวิญญาณลงไปในร่างของเด็กไปน้องนี่คั้นาบีวุวาตอธิบายไปน้องพอเป่าวิญญาณปั๊บอลัลลอให้เรายการบันทึกอยู่ในคันมันดานสะีรายการแายการที่หนึ่งอลัลลอกำหนดให้เด็กที่อยู่ในคันเนี่ยตายเมื่อไร อาลอาลวันตาย expire d a t วันหมดอายุเมื่อไรอัลลอเฺพี่น้องแเรารู้มันไม่รู้ฉันใครอยากมีอายุยาวๆนานๆต้องขอทูอัลลอฮจะาอย่าเพิ่งให้ฉันตายเลยอัลลอจะาให้ตายอายุเก้าสิบอยู่ทำไรยาวๆดาคนทุกวัน ถ้าจะต้องการให้อายุยาวๆต้องทำความดีเพิ่มพี่น้องบางคนแก่แล้วกลับบ้านไม่ถูกมีเปล่าออกจากอันจุมันเีหลงมีไหมพวกเราไม่มีคนที่หลงแสดงว่าไม่เคยขอดุอาขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์พี่น้องนบีสอนนะต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อายุเยอะแล้วอยากให้เป็นคนหลง ขอว่าไงครับอ um ัลลอฮุมะอินเนาะฮูซูบิกะมินาลกาซาลีวะซูอิลกีบรโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่า Allah, ยให้เป็นคนขี้เกียจนี่ถ้าขี้เกียจมาฟังศาสนาอัลลอฮ์ยังผมขี้เกียจมาบรรยายไปน้องเป็นไงครับบรกรชีวิตไม่มีเลยไปน้องความจเจริญไม่มีคนขี้เกียจหมดไปน้องวะอูซบิกะมินซูอิลกบารีฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจาก คนที่มีอายุเยอะแล้วหลงหลงลืมลืมดีไหมพี่น้องหลงลืมดีไหมไม่ดีเขาต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺเลยเนาะนีทั้งหมดอยู่สี่ข้อพี่น้องขออย่าเป็นคนขี้เหนียวดีไหมเป็นคนใจบุญดีกว่าพี่น้องบางคนขี้เหนียวน่ะแม้แต่ยิ้มก็ไม่ให้ใครลงทุนเทไรย้มกับอัสสลามาแลกรวมลงทุนเบา ไม่ได้ลงทุนแต่ขี้เหนียวยิ้มกับขี้เหนียวสลามลม่ะเอาลอยพี่น้องมีซอฮาบ้านนบีบางคนมหาท่านนบีมาถามอย่างนี้ยาราซูลุล ล, ละจงสอนฉันหน่อยตัดเตือนฉันหน่อยอะไรที่อิสลามที่ดีที่สุดสำหรับฉันควรจะปฏิบัติมีอะไรบ้างนาบีมองหนะ้ามันเอาลอให้รู้นะนบีคุณน่ดีทุกอย่าง ให้เลี้ยงอาหารคนกับให้สลามคนคุณไปปรับปรุงสองข้อนี้อย่างอื่นคุณดีหมดแล้วคุณนมาดก็เก่งอะไรๆเก่งหมดแต่ว่าสลามกับคนไม่เคยทักคนก่อนแล้วก็ไม่เคยเลี้ยงอาหารคนเราเป็นอย่างนี้ไหมพี่น้องถ้ามีต้องนึกเออเรานี่รวยก็รวยรถก็มีเงินก็ไม่เคยเลี้ยงคนเลยพี่น้องอย่าพี่น้องริมบ้านเนี่ยอยหวังเลย จะได้เจอสลามชันน่ะแต่ไอดานี่ประ จ, จําแต่สลามไม่เคยให้ไปน้องคิดด้วยดีน่ะมีชายคนนึงมาหาท่านนาบีอายุอิสลามเคอยอิสลามที่ดีแบบไหนมาหานาบีนนบีก็บอกว่าลาตาตอบคุณเนี่ยอย่ากโกรธแสดงว่าคุณน่ะดีหมดทุกอย่างแต่โมโหไม่ได้โอ้โหขอขึ้นทุกทีมีไหมต้องระวังต้องระวัง ที่อิสลามทั้งหมดพี่น้องทั้งหลายจะนั่งใครที่โกรธเก่งเกงเบาๆหน่อนยเจนี้มันต้องฝึกพี่น้องฝึกไม่โกรธทํายังไงต้องฝึกกันในบ้านพี่น้องให้ลูกบนบ้างให้สามีบนบ้างทดูมัจะทนไหวไหมพี่น้องมันต้องอายุด้วยนะแล้วอ่านกคนอ่า น, แ ล, น응แล้วมันขออุนาต่อร้อนอรรถจะอย่าให้เป็นคนฉันเป็นคนอารมณ์ร้อนเลยทำ อ, อารมณ์รอนอารมณ์ร้อนดีไหม ไม่ดีไปหน่อยและชัยตอนนี่มันจะเข้าตอนไหนตอนโมโหจะ จ, จัดมันมาเลยแั๊บเวลาหิวจะจัดโอ้โหวเวลาโมโหจะจัดเวลาเสียใจจะจัดชัยตอนมาเลยอยู่วัสวิสูฟีสูดูดิน่ามันมาสร้างความสับสนขึ้นที่หวัวใจเพรียวละลายก้อนนี้อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังนี่แหละตอนนั้นแหละถ้าหากคนต้องการจะให้คนเนี่ยตั้งสติ เวลาโมโหเอาอุบวิลาภไม่สนใจตอนนิโรดีต้องนึกนี่เราลังด่าดกับใครเนี่ยเออกระพายาในสามีเราลูกเราจะได้ไปทําำนึกพี่น้องพอนึกปั๊บอาอุจวิลาภไมัสนใจตอนนิโรดีอย่าลืมนะใส่ตอนเนี่ยมามันมากระซิฟที่ไหนพี่น้องที่หูในาสามีเราเอากระซิฟที่ไหน หัวใจที่หูนคนแต่ใช้ตอนมากระซิบที่ไหนอัลลอีอยู่วัสวีซูฟีซูดุลินนัสชายตอนมันมากระซิบที่หัวใจคนมากระซิบที่หูอย่าลืมนะชายตอนกระซิบที่ไหนหัวใจคนรักเรากะซิบที่หู I love you very much โ oh, อ right. ้โหดีใจน่าดูเลยแต่ชายตอนมันก็ซิบเลยว่าใจเอ็นทำบาปมันก็ซิบพี่น้องทำบาปโอโหเลยจ่าก็ไปต่อยมันเลยอดินขว้างหน้ามันมันยุแบบนี้พี่น้องชายตอนเนี่ยมันยุแบบนี้มันไม่ได้ยุเรื่องดียุเรื่องชั่วหมดเลยแต่ถ้าจะอยู่ใกล้กับมาลิกาดีไหมดีครับเพราะนั้นอย่าโมโห คนไม่โมโหทั้งๆที่โอกาสโมโหมีไหมมีแสดงว่าคนคนนี้คิดหน้าคิดหลังแล้วก็อยู่ใกล้กับมาเลากาพอมาเลกาอยู่ใกล้เราอะไรนี้ไซตตอนนี้อยู่ที่ตัวเราเป็นน้องจะเรียกคนมาอยู่เรียกไซตตอนมาอยู่ใกล้เราก็ได้เรียกมาเลากามาอยู่ใกล้เราก็ได้เพราะอ oh ัลลอฮฺให้เราเป็นเป็นได้นะเป็นประธานน่ะเป็นผู้จัด ก, การเป็นรีฟรีย เ, เป็นคนตัดสินน่ะ จะข้าข้างใครก็ได้ไซตตอนอยู่ตัว น, นี้นี่มารายกาอยู่เนี่ยทุกคนมีมารายการกับซตตอนหมดเลยนะเราเข้าข้างใครไป้องถ้าเราข้างข้าวไซตตอนมารายกาแพ้ถ้าเราข้างข้ า, ขาวมาราการใครแพ้ไซตตอนแพ้ต้องนึกนี่เจอตังค์พอออกไปไปเจอตังค์พันหนึ่งตรงเนี้ทําไง <laughs> ถ้าเข้าขัา้นสายตอนฟับจิตเลยก็พูดเนี่มันริสกีของฉันใช่หรือไม่ใช่ส่วนใหญ่คิดแบบนี้หมดคิดผิดริสกีของฉันได้ยังไงเจอของหลน่นนบีสอนใครที่เจอของหล่นยิบได้ต้องประกาศเอาเป็นของตนเองไม่ได้ต้องประกาศอย่างน้อยเป็นปีพี่น้องแต่ถ้าไม่ยิบ ท่านอยู่กับมาลาอิกะอัลฮัมดุลิลละพอไม่หยิบปั๊บจบพอหยิบปั๊บมีภาระถ้าไม่หยิบจบสะไ ด, ด้ไมหมสะได้แหมเงินของใจใครบอกของคุณเห้น <c oughs> ไหมพี่น้องสังเกตง่ายๆหยิบหรือไม่หยิบจะเจอตังเอาวันนี้เรียนไหม่เจอเงินอยู่พันบาทตกอยู่ริมทางเราเดินไปพอดีจะยิบหรือไม่หยิบ ไม่ใช่ริสกี้เพราะเขมีเจ้าของไงไม่ใช่ริสกี้ไปต้องเมื่อก่อนเราคิดผิดเป็นเป็ น, ป น, ปนริสกี้ไงอมตอนเป็นนักเรียนอยู่อยู่ต่างประเทศนะผมยืนอยู่หน้ามหาวิทยาลั ย, ยะมีเงินประมาณหมื่นบาทรูปีนั่นหลกตก ต, กตกอยู่ผมเดินไปเก็บตอนนั้นกลังโจนมากเลยถึงเงินหมื่น 100, รูปี ย, ยืนอยู่ยุสคสักพักได้มอเตอร์ไซค์ขับมา มามองสายพึงถว่าดีอยู่มั้ยนี่ยิ้ yes, yes, yes, yes. มๆๆโลดีใจใหญ่เกือบจะมากราบเท้าพูดบอกไม่ต้องอไม่ต้อง for you อยู่ยิบอยู่ยบอยู่ขพี่น้องดีใจมากๆเลยพี่น้องมอเปอร์เรกสกีได้ไหมไม่ได้เพราะของตกทุกชนิดมีเจ้าของมีอยู่คนหนึ่งพี่น้องไปเก็บเช็คตก 3,000 ม, มืน่นเปกก็ปอยังไงเราบ้างตก f า r ไปเก็บเ็บเช็คดิรู้เลยเอาไปขึ้นธนาคารเขาไปแจ้งตำรวจไว้แล้วแล้วเป็นไงครับติดโควสามเดือนให่ไหมฉะนั้นทีละนี้ต้องนึกต้องอ่านหนังสือเยอะๆต้องอ่านคูณอ่านแล้วอ่านทาดีสพี่น้องเจอของริมถนนไม่ใช่ริสกีของเราอัลลอต้องการจะทดสอบผมเคยพบเงินห้ารอยที่สวนหลวงราเก้าผมไม่เอาหัวกน้อยไปคียจะ เอาเป็นภาระไงต้องประกาศยงอ่ะพี่น้องีนเงินใครห้ารอเสียเวลาปล่อยไปไ ป, ไปกระทรวงกลาเอาสิยังสดายหันไปมองหลายที่วไม่ใช่รี่สิกีของเราเพราะเก็บภาพกายเป็นภาระทันทีต้องประกาศและอลัลลอฮจะให้รางวัลในวันเตียวมากที่ส วันละีอันชาคุมอัลลอฮสร้างสูนเจ้ามาแล้วก็สร้างนะรครับว่าจะละกุม um ุสัมอาสร้างอัลลอฮ์พี่น้องสร้างหูก่อนแล้วก็ต่อมาครับวันลอับสอดสร้างตาในมดลูกของผู้หญิงก็สร้างแบบนี้แหละสร้างอะไรก่อนพี่น้องสร้างหูก่อนใบหูก่อนแล้วต่อมาก็สร้างตาก่อน แล้วก็ต่อมาครับหัวใจอฟัฟิดะสร้างหัวใจผมถามหมอถามแพทย์นักศึกษาแพทย์ตอบเหมือนกันไปน้องอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เล้วเรื่องในมดลูกเรื่องในอราระหามไปน้องว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างคนมาอย่างไงสร้างจากน้ําอสุจิร่างกายเป็นคนได้เนี่ยใครมีความสามารถไปน้องตรงไห น, นปีนี้นบีสัส่งให้เราขอจงอเชาวนาะอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกะ อัลลอฮุมาอาฟินีฟีบาดานีโออัลลอฮโปรดให้ฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงเคยขอบาาเอาเขียนเลยนะอัลลอฮุมาอาฟินีฟีบาดานีโออัลลอฮอัลลอฮจ๋ให้ฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งแรงร่างกายพี่น้องไม่เจ็บไข้โดยป่วยต้องขอดวนะพี่น้องออกกำลังกายก็ออกนะครับ ได้อะโอ้เออรอปวดอะไรนะดูแลสุขภาพของฉันด้วยวาฟินีฟีบาสรีวาฟินีฟีซัมาอีแล้วก็ดูแลหูของฉันด้วยการฟังของฉันพี่น้องถ้าเราขอดุอ่านต่อร้องให้อัลลอฮ์รักษาหูเราต้องดูแลหูด้วยพี่น้องอะไรที่ควรฟังและไม่ควรฟังเพื่นอนรู้ยัง อของที่ไม่ควรฟังมีอะไรหมาแล mm ้วว่าที่มีอะไรบ้างนินทาแล้วก็อะไรอีกอย่างเด้อที่พอเปิดภาพก็เจอเลยไงเพลงใช่ไหมอร่อยคือใจมันคนถ้าฟังเพลงเยอะๆนี่นะหัวใจเราจะลืมอัลลอฮ์ทีละน้อยละน้อยลืมก็พยายาม เบรกๆบไปไม่ไมก็ดูไปเออฉันจะเข้าเฝ้าอาลัลลอฮบางคนนมาตาปก็ฟังเพลงไปด้วยได้ไหมใช่ไม่ไม่อะไรไม่ไม่เมื่อวานมีกูไปนมาอัสรีที่ไหนไม่ทราบผู้หญิงก็นั่งกันเจ็ดแปดคนกำลังคุยกันวอาจ้าหมามในห้องหนูนี่แหละ กูบอกให้เธอคุยให้อิ่มแล้วไปนั่งมาที่อื่นก็แล้วกันใจไม่ไหวกูชั่วผมก็แอบไปนั่งมาอีกที่หนึ่งกันี่น้องโอ้โหแล้วไดเจอในกลุ่มผู้หญิงแล้วคุยอร่อยมากโอ้โหคุยว่าใจระวังเลยไปน้องทั้งดีทั้งไม่ดีสารพัด่าเอาเธอคุยให้อิ่มผมไปนมาที่อื่นก็แล้วกันทําไมต้องไปนั่งมาที่มัสยิดเพราะนัมาที่มัสยิดบรรยากาศมันดี คนนี้รูก้กุ๊กคนนี้สูดหยุดคนนี้ยืนคนนี้ร้องไห้บรรยากาศนี้ถ้าอยู่ที่บ้านนะมาที่บ้านเดี๋ยวเสียงโทรศัพท์มาีคนมีนี่ทวงนี่กูทุบ ป, ปากมันยบางทีลูกรอ้องเมียโบนบ้างูพี่น้องอึดอัดวิธิไปนมาที่มัสยิดดีที่สุดเพื่อให้ใจสงบพี่น้อ ง, พองเพราะเป้าหมายของการนมาคือทําแมงหัวใจสงบพี่น้องขออุอาตอลอดนะโอ้เออลละจะาจงดูแลสุขภาพของฉัน ด, ดูแล ดูแลตาของฉันดูแลหูของฉันแล้วดูแลดูแลตาดูแลสายตาเป็นต้องอธิบายยังไงพยายามมองของที่อ่าที่ดีๆมองของฮารอนอย่าไปมองพยายามต้องฝึกไปน้องถามพี่น้องเคยลดสายตามไหมถาม่เคยลดสายตาไห ม, ต, ไหมตั้งใจลดฉันไม่มองเคยไหม อ๋อทำยากเหมือนกันอลอโดเฉพาะผู้ชายเนี่ยทำยากไปเจอผู้หญิงวสวยๆอย่างเงี้ยมองได้กี่ครั้งครั้งเดียวน่ะอย่ามองเยอะแล้วก็เวลากล้มต้องบอกว่าที่บ้านน่ะสวยกว่า น, นี้แตงเดียว <c oughs> นึกได้ไหม แล้วก็อ่านด้วยอีกอัลลอฮฺผู้มิอินนียเอาจุบิกะมินฟิตนาตินีสร้างวาฮาบิลกอบรีฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺใน้นจากการฟิตนะในเรื่องของสตรีอัลลอฮฺพี่น้องต้องระวังหมดเลยอยู่บนดุนยาใบนี้ถ้าต้องติดเบรกต้องติดหรืไม่ติดอพี่น้องมีรถต้องติดติดติดเบรกไหมถ้าเบรกเสียนี่กล้าออกนอกไหมไม่กล้าออกเราก็เหมือนกันต้องติดเบรกพี่น้อง ตักวาคือเบรกอีมานคือเบรกอิสลามคือ AK, เบรกพี่ น, อน้องฉะนั้นอิตะกุลลอในกัมพีจารณานท่านหลายจงเลือกเลือกระไรเลือกการตักวาเลือกการอีมานหข้อมาเป็นแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตของเราถ้าอย่างนั้นเราถูกหลอกพี่ น, อน้องถูกใส่ตอนคาบตลอดเวลานะครับ กล่าวว่าที่อันชาคุณแต่จะให้คุณมีสัมผัสและประสาทและอัฟิดะคุณจะไม่รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างบังเกิดสู่เจ้ามาและทรงทำให้สู่เจ้ามีหูมีตาแล้วก็มีหัวใจคุณจะไม่รู้มีแต่สวนน้อยของมนุษย์ที่ขอบคุณอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่ หูตาจมูกดิบเป็นน้องเคยขอไหมเคยขอจากอัลลอ์อัลลอ์จะาให้หูฉันหน่อยไม่ได้ขออัลล์ให้โดยไม่ได้ขอใช่หรือไม่ใช่ไอที่ขออะไรบ้านรถคูรัก <c oughs> <g ay> เห็นไหมเงินแล้วก็ที่ดิน น, นั่นเจ็ดแปดรายการที่ขออยู่ทุกวันนี้พี่นน้องครับให้มีนุน่นมีนี่พป่น้อง แต่ของที่อัลลอฮ์ให้มาโดยเราไม่ได้ขอเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุรุษนั่นแหละอย่างศาสนาอิสลามนี่พี่น้องครับอัลลอฮ์มาถึงพวกเราเนี่มันเราไม่ได้ลงทุนเลยใช่หรือไม่ใช่ได้มาแบบง่ายๆพี่น้องพ่อเป็นแม่เป็นเราก็เลยเป็นแขงโดยอัตโนมัติเคยรองให้ไหมถ้าฉันขาดอิสลามอัลลอฮ์พี่น้องนะถ้าเราไม่มีอิสลามนี่พี่น้องครับ เราเนี่ยต้องไม่รู้ไปกราบต้นกล้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าที่ขอบคุณอัลลอฮ์นะเดี๋มีโอกาสได้กราบอัลลอฮ์ทั้งๆัที่ไม่เคยเห็นนะอัลลอฮ์พี่น้องเราเคารพเชื่อฟังนบีมุฮัมมัดพี่น้องนี่แหละเป็นศาสนาที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็โลกวันนี้พี่น้องครับผู้คนทั้งหมดเนี่ยนะหันมารับอิสลามมันเต็มไปหมดพี่น้องก็ออได้ครับไปพิสูจน์แล้วเนี่ยหลักการอิสลามเนี่ยวิทยาศาสตร์กําลังพิสูจน์เรื่องอิสลามพี่น้อง เอาล่ะคนที่เอาศพมัมมี่ไปสารวจในพี่น้องราอิสลามอ่ะศพมัมมี่พี่น้องมันหลายพันปีแล้วทำไมเนื้อมันยังสดอยู่ล่ะก็มีหมอมุสลิมคนเอาคุรานมามาอธิบายให้ให้หมอใหญ่ที่สุดนะอัลยาวมานุนัดจีกะบบีบาดานีกะวันนี้เรารักษาเพียงแต่ร่างของฟาโรห์เอาไว้ไม่ให้เน่า ในกุรอ่านผู้ไปหนึ่งันสี่รอปีพอมาเจอ ป, ป้ออาไปน้องอ๋อเนี่เราไปค้นหาวิจัยเรื่องศพฟามัมมีนะ่น่ะตั้งหกเจ็ดเดือนนะ่ะเรมาเจอกุรอ่านเอาล่ว่าฉันรักษาศพฟาโรไม่ให้เนา่าจบเลยไปน้องมีวันหนึ่งยืนประกาศต่อหน้าหมอฉันรับอิสลามแล้วก็ศึกษาศพฟาโรอย่างเดียวไปน้องมันไต้ไหนไม่รอดมันไม่เนา่าเพราะอะไร หาคำตอบไม่ได้พี่น้องอัลลอฮ์กำหนดอัลลอ์ยิ่งใหญ่มากครับเป็นว่อาอะไเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหูตาจมูกในใครให้ครับอัลลอ์ให้กอลีลามมาตสกุรุนคนส่วนน้อยมากที่จะขอบคุณอัลลอ์พี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ทำไงนี่เรียนศาสนาให้เข้าใจแล้วนำมาไปปฏิบัติพี่น้องข้าหาอัลลอฮ์ทำยังไงนี่เดือนอะไรมานะเดือน อ้ดุลอาบฮาจะมาแล้วใช่ไหมอีกกี่เดือนอาจารย์ก็นี้อีกกี่เดือนประมาณสองเดือนนี่จะมาแล้วเห็นไหมถามว่าภารกิจที่อัลลอฮฺสั่งผ่านนาบีเนี่ยให้ทําอะไรมากที่สุดในเดือนรุละเอรุุุ่่่นห้าเนี่ยหนึ่งพี่น้องต้องไปทำพัดคนที่ไม่ได้ไปทำพัดอยู่บ้านทําอะไรต้อง เชื้อศัตรรรำกุฎบานใช่หรือไม่ใ ช, ใช่นี่เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่กุฎอ่านตรงไหนครับฟาซลิลิรบบีกวันฮารเห็นไหมฟาลลิรบบีกาวันฮรอินนาชะนีอกฮุวันอตัราอ่านกุอ่านอาี่มาจำถามว่ารู้ความหมายไหมไม่รู้อมาดูดูความหมายฟลลิรอบีก มุฮัมมัดเอิรอัลลอฮ์สังมุฮัมมัดจงนมาดเพื่อพระผู้อาภีบาลของท่านมาถึงนมาดอีกสองลออการวันฮัตภาละกิทที่สองจมเชือดสัตว์ที่กุณอ่านไปเนาะแล้วเอาไว้ในหัวเล็กเพื่อให้เราอ่านทุกวันทุกวันทุก ว, วันแต่ต้องอ่านแบบไม่รู้เรื่องไปเนองแล้วดีไหมละ่ะไม่ดีเลยนี่มาอ่านใหม่อลัลลอฮ์อ่านแล้วรู้ความหมายฟาซลลิลิรอบิกะ มุฮัมม right ัดเอจมนมาสอิดสองรอก็อดวันฮัตแล้วก็ภารกิจหลังจากนมาสอีกทําไมครับวันฮัตจงเชื่อสัตว์ทีนี้สัตว์เนี่ยอัลลอฮฺพี่น้องอัลลอฮฺให้สัตว์มานะอัลลอฮฺสั่งผ่านนบีว่าคนจะเชื่อสัตว์ทํากุฎบาเนี่ยต้องเงินสะอาดที่นี้วัวตัวกี่หมื่นอ่าสี่หมืนะเห็นไหม ถ้าคนเดียวไม่ไหวให้ออกเป็นเลยนะทําเป็นหุ้นได้ที่หุ้นได้เจ็ดหุ้นไอ้คำว่าวเลขเ็ดเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดเอาไปตั้งเป็นบริษัทใช่หรือไม่ใช่เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดเป็นสัทจะทำเป็นฮักกูลไปน้องเอาคนารกรายเงาบาคนละห้าหมืนห้ามื่นห้าพันห้าพันห้าพันเจ็ดห้าสามสิบห้าอัลลอฮ์ไปน้องครับก็สามหมืนห้าได้วัวหนึ่งตัวเลยแล้วก็วัวที่เราจะเชื่อทํากุลบานต้องเป็นวัวที่อ้วน สองไม่ผอสมสต้องสมบูรณ์สี่เขาไม่หักห้าขาไม่หักขาไม่หักต้องอ้วนสมบูรณ์ไปน้องทีนี้บางคนพูดบอกว่านี่นี่คใหญ่ยยเล่านะเอาไว้ไปขี่เข้าสวรรค์ขี่วัวไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยไปน้องอันนั้นก็หลอกเด็กไปก่อนได้ชัวร์ครา ไม่ใช่ไปน้องอัลลอฮ์บอกอย่างนี้เนื้อและเลือดไม่ถึงอัลลอ์แต่ถ้าจะถึงหัวใจของผู้ที่ทำกุรบานน่ถ้าเขาเชื่อกุรบานโดยนามของอัลลอฮ์ไม่หวังอย่างอื่นไม่หวังการสนทนาเสิรินสมโมเชยชูพูชูพูดคนชมไม่ได้หวังเลยไปน้องให้อัลลอฮ์พึงพอใจอัลลอ์ให้อิสกีชันมาเยอะเนี่ย โอมีเงินอยู่แสนบาทพี่น้องอลรอซื้อว่าตัวสี่เบอรเอาไปเลยฉันให้ลูกชนให้ภรรยาให้สามาีให้หลานก็ว่าไปนในบ้านให้ครบเจ็ดคนพี่น้องเอาวัวให้ไปเลยคนจนจะของบ้านไม่กินเลยได้ไหมได้จะกินหมดเลยไม่จ่ายได้ไหมไม่ได้เห็นไหมพี่น้องเป็นเดือนเท่ยนการบริจาคพุทธิยาศีลสระดูแลคนยากคนจนพี่น้อง ฉะนั้นการดูแลสังคมเป็นองก็มันเรื่องใหญ่มากถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้เนี่ยแสงแสงแดดมาเนี่ยฟรีหรือมาเก็บตงังค์พป่นองค์แผ่นดินเดินเสียตังค์ไหมอัลลอฮ์ให้ออกซิเจนเนี่ยเก็บตงังค์เรแย่นะ่ะที่อัลลอฮ์ให้ฟรีฟรีเพืคอคนทั้งหลายนะครับอัลลอฮ์อัครายิ่งใหญ่มหายใจที่เป็นองอัลลอฮ์อันึนนกึง ตอนอยู่รยโรงพยาบาลอรอพระออกซิเจนแล้วขึ้นอวกาศพาออกซิเจ น, น, นเท่าไหร่พี่น้องถ้าจนๆนะหมดสิทธิ์ในการนอนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณอัลเล่อเยอะๆที่ออลเล่อให้แล้วอยู่บนโลกดุลยาใไปนี้ไม่ได้เก็บค่าเชา่าแม้แต่นิดเดียวที่ถ้าตาพลานนะเก็บตังค์อีกยุ่งไหมออลเล่อขนาดปลายเดือนค่าไฟฟ้าเนี่ยเงื อ, อยังออกอ่ะห้าพันอะไรแอลสามตัวโอ้โหพี่น้องนอนสบายจะ่ปลายเดือนเหงือแตก พี่น้องในบรรดาที่อเลาสร้างมนุษย์มาทั้งหมวลน่ะใครประเสริฐที่สุดอ่ะคำตอบคนคนที่ประเสริฐที่สุดน่ะต้องมีลักษณะแบบไหนคนรวยใช่ไหมคนสวยใช่ไหมคนรล่อใช่ไห ม, ไมนี่งายพี่น้องอินน่อัครมาคุมาอินดะลลอฮิอัตกรุมคนที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดก็คือคนที่ตักวา แล้วก็มีอีมานเลือกชีวิตเลือกตักวามาเป็นทางนำสําหรับชีวิตแล้วก็อีมานหกข้อพี่น้องอีมานหกข้อต้องนึกฉันก็ตั้งเอาอีมานหกข้อนี่มาแนวเป็นแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตของฉันอลัลลอฮฺพี่น้องแคนนอนมุตะกี้เนี่ยพี่น้องอยากตายในห้องน้ำโดยคนเดียวมีใครรู้เอาไหมมีใครเอาสซ่คนหนึ่งการวิธีป้องกันมีไหมมีเอาเปล่า เข้าห้องน้ำด้วยเท้าใช่ี่น้องจำไปเลยนะแล้วก่อนเข้าให้อ่านอะไรดูอาขอความคุค้มครองจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺอุมัยนีอาอูซูบิกะมินลัลฮุบุสีวลขะบะอีซีฉันขอความคุค้มครองจากอัลลอฮฺให้พ้นจากชายตอนทั้งตัวผู้และตัวเมียแสดงว่าชายตอนอยู่ในห้องน้ำเห็นไหมนี่ถ้าอาลัลลอฮฺไม่เล่าจะรู้มั้ย เรื่องลับๆแบบนี้ใครมันรู้เลยพี่น้องเลยนี่มาเรื่องลับเรื่องเรฟนะอินมุลเรบพีน้ออัลลอฮ์ส่งนบีมามาเผยเรื่องอทําอย่างนี้นะนี่ปกป้องโน่นก่อนน้องไดอ่านอายะก์คูสีพี่น้องอัลลอฮ์แม่ก็บากล้อ่านอายะเนี่ยตาบาสุรอเนี่ยตาบารอกันล้ี่มียดีฮิลมุลกูพี่น้องอ่านทุกคืนรู้ไหมอัลลอฮ์บอกว่า ฉันจะไม่สอบสวนเขาขนาดที่เขานอนอยู่ในสุสานนึกภาพเลยเนาะโอ้โหนึกสุสานสนุกดีมาคุณเดียวอ่ะนู่นนมาก็ไม่มีประกาศก็ไม่มีหัจญ์ก็ไม่มีบวชก็ไม่มีทําดีกับญาติพี่น้องก็ไม่มีเหลืออะไรเลยพี่น้องมีคนกาเฟต์พี่น้องเพราตาหยาดมาอ่านจ า, าดีตกลัวไปหมดเลยพี่น้องคนกาเฟตเนี่ย พอวิญญาณออกจากร่างวิญญาณเหม็นไปน้องขึ้นข้างบนเขาสาบแช่งกันนี่วิญญาณของใครเองพามาทําไมทํามันเหม็นอย่างนี้เราตรงเันข้าวข้าวิญญาณของคนที่นามาให้เวลาที่อ่านอัลกุรอานเข้าใจเรื a, a, ่องอัลลอฮ์แล้วลอซุนไปน้องแล้วก็ดูแลคนเอาใจใส่พ่อแม่ญาติพี่น้องอย่างดีไปน้องทำเบื่อัละก็ให้หมดพอวิญญาณออกจากร่างวิญญาณหอมไปน้องเหมือนกับกลิ่นของชมพู่เฉียง ขึ้นข้างบนพี่น้องนี่อัลลอฮ์เล่าผ่านนาบีเป็นเรื่องลับทั้งหมดพี่น้องใครใครใค ร, ใครจับได้จับไม่ได้พี่น้องมีประเทศอะไรน่ะรัสเซียหัวหน้าคอมมิวนิสต์ใหญ่มีอยู่คนหนึ่งพี่น้องชื่ออะไรผมลืมชื่อไปแล้วน่ะตอนจะตายพี่น้องคนนี้เป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ใหญ่นะครับทําลายาศาสนาทั้งหมดพี่น้องพอตอนจะตายเนี่ย เป็นคนข่าวไปน้องพอจะตายประมาณสักห้านาทีลูกสาวไปยืนเฝ้าอาการของพ่อลูกมาเล่าให้สัมภาษณ์ที่ประเทศอินเดียหนังสือพิมพ์อินเดียเขาลงข่าวไปน้องเขาเห็นหน้าพ่อเขาเขากลัวเลยพ่อเขายกมือขึ้นฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วแล้วก็หน้านี่จากขาวมาเป็นดําลูกสาวเขว่า พ่อกลัวอะไรอ่ะและ้วลูกสาก็บอกว่าฉันตั้งใจว่าจะเอาความรู้ที่พ่อสอนเนี่ยมาเลยนะมามาดําเนินการต่อจะมาสอนต่อพอได้ยินคําคําบ่นของพ่อว่าฉันกลัวแล้วฉันเลยทิ้งความสอนของพ่อทั้งหมดฉันไม่เอาไปสอนต่อไปปรึกษาต่อที่นวยพี่น้องเอาง้อให้เห็นหน่อยพี่น้อง ฉะนั้นพี่น้องครับเห็นมาลาอีกะมาถอดวิญญาณที่แต่งตัวสะอาดๆแล้วก็กิ่นหอมกลับมาเหมน็นๆพี่น้องเอาอนะไรตอนจะตายห้านาทีมีมาลาอีกามาหนะ่อยพี่น้องวิญญาณไม่ได้ออกเองนะพี่น้องนะมีคนมีมาลาอีกะมาถอดวิญญาณ ทีนี้เวลามาถอดวิญญาณเขา อ, อ่านกุณอ่านอย่างนี้ยาไอยาตุหันนับสุลมุตมาอินนะโอ้วิญญาณที่สะอาดเอ่ยอุค uh, ร oh ูจีเชิญออกนั่นวิญญาณของคนที่มี إ ي م านมีศาสนาท้าวิญญาณสกุลปลกไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักกุรอาไม่รู้จกัจกกุณอ่านมักระชากไปเนองออกมาหนิไปวิญญาณชวยสู้อะไรกับมาลิก้าไปเน้อง กรชากครับแล้วก็ยาาตรีบูในูยูหุมตบหน้าแล้วก็ตบหลังทรมานพี่น้องถูกซอ้อมตั้งแต่เพราะเอาศบวางในโลงปับหวยเลยพี่น้องลาธุกอดดิบูนีจะพาฉันไปไหนเราไม่ได้ยินคนแบกไม่ได้ยินแต่ว่าสัตว์ทุกชนิดจะยินพี่น้องนี่ใครเล่าครับนบีเล่าให้เราฟัง ภาพของคนที่วิญญาณออกจากร่างแล้วไม่มีศาสนาทรมานจับแต่อัลลอฮฺไม่ให้ใครหน้าบุญหน้าเบี้ยวห้เห็นล้วก็พี่น้องมันก็ยิ้มอยูกันทุกคนเนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่าทรมานที่วิญญาณมีไหมเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับพี่น้องแค่วิธีปกป้องตนเองไม่ถูกลงโทษที่กูโบนามาตยาคาดสองบวชยาคาด สามีมีอากาศนะแสนสองหมื่นขึ้นต้องถามชั้นจ่ายอากาศให้ใค ร, ใครถ้าไม่มีที่จ่ายมหอาจารย์ลูกาอลีเขจัดการให้พี่น้องพูดถึงอากาศอากาศสอดศก็หดี้งให้ของขวัญแล้วก็ทำวากัฟสีข่ข้อบริจาคเถอะพี่น้องอลอสจะเพิ่มให้คำว่าอากาศแปบลบว่าซักฟอกให้สะอาด ปะกาศแปลว่าหมู่มุ่งปว่า i n c r e a s i n อัลลอฮ์จะเพิ่มให้อ n c r e a s i n g เพิ่มไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรอ่ะเพิ่มเงินได้ไหมได้เพิ่มบรรยากาศกาชีวิตได้ไหมได้เพิ่มอีมานได้ไหมได้เพิ่มหลานได้ไหมได้ไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรอ่ะใครเราไปทำฮั์อุ้มรอดอีกเอาไหมเอาครับพี่น้องเราไม่รู้ว่าอเราจะเพิ่มอะไรให้กับเราฉันเชื่ออัลลอฮ์พี่น้องสิ่งที่ดีกว่าคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่มีแล้วพี่น้อง นี่แหละเป็นคําสั่งที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะไม่มีคาพูดของมนุษย์ความคิดของมนุษย์เจอือปนอยู่ในคาทีกลอานไม่มีครับพี่น้องสะอาดเพียวบริสุทธิ์จริงๆพี่น้องกัละคัมดุลิละพี่น้องให้อ่านสุภาษณ์นลอยเยอะๆว่าได้ไหมอ่าสุภาษณนลโยเป็นนต้องรู้ความหมายด้วยนะ สุบฮานัลลอฮาบมหาเบสุดยิ่งใดอัลลอฮขอบคุณอัลลอฮ์เปน้องสุบฮานัลมัลิกิลกุดสชมอัลลอฮ์เปน้องอัสตักฟิรุลอตอนกลางคืนนี่ปน้องลุขึ้นนั่มาตหาญยุดธยังมีเวลาอีกสิบนาทียี่สิบนาทีจะเข้าเวลานั่มาสดบอกนั่งทำอะไร อิสติกฟาดดีกว่าอัสตัฟิลลอต้องรู้ความหมายนะฉันขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์แต่มีอยู่วักหนึ่งครับอัลลอฮุมะอินเนาะ อ, อูบิกามินตีติดุนยาวาดีติเยามีรุ่งตียาฉันขอความคุ้มขอจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความคับแคบของโลกดุนยาแล้วก็ความคับแคบในโลกอาคือรับขอผมขอทุกคืนเมื่อคืนก็นั่งขอ อัลลอฮฺมือวนนี้อางุ้มิกามินเดียติดดุนยาวัดติยาอมิลติยามะเละอยวากดึงพี่น้องอัลลอฮฺมั่งเจ้านเอาสะอาริสกิการเลยอยาอินดักย์บาริสินนีวะอิงกีตาอิงอุมรีโออัลลอฮฺปวดปธานหริอกิอันกว่างควางให้แก่ฉันตอนที่ฉันอายุแก่ๆ แ, แล้วก็ตอนวิญญาณจะอบจาะลา <c oughs> ขอนะที่หมดเวลาแล้วใช่ไหม สุภาพนะกพระผู้มว่าบิคำดีก็เ้าเชิญๆๆๆนเชิญเชิญบิสมิลลาฮิราะห์มิลลาห์อัลกัมบุลลาฮิรับอัลขอฮ์ม Al ิอัลลอฮ์มิอัลลอฮ์ให้มีวันนี้ขึ้นอีกเป็นประจำทุกเดือนนะครับคำถามที่ถามสั้นๆนะครับว่าผู้ที่ ที่จะทำกุลบันนะมีกฎเกณฑ์ใดบ้างกับที่เราจะต้องปฏิบัติก่อนถึงวันเชีดสัตด์กับอบิส милли ลัยอราห์มานุราหมผู้ที่จะทำกุลบันหนึ่งต้องเป็นมุสลิมแล้วก็มีมีเงินมีความสามารถ ทางผู้หญิงและผู้ชายแม้แต่ลูกของเราที่คลอดมาได้สองสามวันก็ทำได้ถ้าหากเราไม่มีตังแต่คนอื่นเขาจะามาเขาเอาตังให้เราเนี่ยได้ไหมได้ไม่ได้เงื่อนไขต้องเป็นมุสลิมต้องทำเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูวันอัละฮะดิษตรงไหนก็ให้ทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยฉนจะียกตัวอย่างง่ายๆว่าใครที่ถือสินอด หรือใครที่นมาดเนี่ยอีมานั้นนมาดด้วยใจที่ศรัทธาวัดติซาบันแล้วก็หวังรางวันตอบแทนจากอัลลอฮ์กูฟิลอแหูมาตัก็เดิมามินซัมบิอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้พี่นอ้องครับอุทยาเนี่ยนะเมื่อทำแล้วในพี่น้องต้องแบ่งเนื้อนี่ออกเป็นสามส่วนอธิบายต่อเนี่ยนะกับคำว่าอะไรกับ หนึ่งอย่างอย่างอย่างก็มีอะไรมีเนื้ออยู่สามสิบกิโลเนี่ยสิบกิโลให้กับคนยากคนจนสิบกิโลให้กับญาติพี่น้องของเราแต่อีสิบกิโลเนี่ยให้เป็นคนในครอบครัวจะจายหมดเลยได้ไหมดีเก็บหมดเลยได้ไหมไม่ได้พี่น้องเอาให้แบกออกเป็นสมส่วนนะ หนึ่งคนจนสองญาติพี่น้องถามว่านอนมุสลิมเนะี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยทานเนื้อกุฎบานได้ไหมได้ครับถ้ายกตัวอย่างเรามีคนที่อยู่ที่บ้านเราคนทําสวนเราเนี่นะแล้วคนทําความสะอาดที่บ้านมีสองคนไม่ใช่มุสลิมกินได้ไหมได้นะครับฉะนั้นนอนมุสลิมทานเนื้อกุฎบานได้ไหมได้ไม่ผิดนะครับ เราถ้าเป็นมุสลิมนะมันดีกว่านะแต่ถ้ามีคนอยู่ในบ้านเราหรือว่าให้คนเพื่อนบ้านตาอิมามชาฟีแนะนำบอกว่าให้ไรนะให้ปรุงก่อนให้แก้ใ้เรียบร้อยก่อนแล้วเอาไปยื่นให้เขาแล้วอธิบายด้วยรูปเปล่าเนื้อคุรบาลอธิบายอะไรได้อีกครึ่ชงชั่วโมงนส่ชอบล้อคุณได้อีกนะนะฮะเขาเขาแนะนำว่าให้ให้ปรุงไปก่อนดีกว่านะใช่ใช่อ่า ตอนนี้สิ่งที่ทผู้ทำกูฎบัญต้องปฏิบัติยังไงครั บ, บที่ว่าต้องตัดเล็บ เ, เริ่มแต่วันไหนครับไม่ให้ตัดเล็บพี่น้องครับตั้งแต่เราเห็นเดือนสุลฮหยญาน่ะนะสุรไหยญาเห็นเดือนหรือก็เขาประกาศว่าเห็นเดือนแล้วเนี่ยนะตั้งแต่วันนั้นมานให้เราคือให้ให้ที่ตัดเล็บไปก่อนสิ ตัดเล็บโกนผมไม่เรียบร้อยตัดขนขนไ ม, ไม่เรียบร้อยใช่ไหมขนตัด้หูรูปผ้ารวมหมดนะพี่น้องถ้าเราตั้งใจจะทํากุฎบานเนี่ยนะก็ไม่ควรที่จะไปตัดเล็บไม่ควรที่จะโกนผมแล้วโตัดขนอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ที่ร่างกายของเราเราทําตัวเหมือนกับพี่น้องของเราที่ไปประกอบพิธีอมรอที่นครมักมกะ น, นะครับทําตัวเหมือนกันนะครับช่วง เวันแปดวันเก้าวันก่อนถึงวันอีดเนะี่ยพี่น้องให้เรากลางคืนเนะี่ยให้อ่านคุณอ่านเยอะๆนะครับอ่านคุณอ่านบทไหนก็ได้นะพี่น้องแล้วก็ซิการูลล่อเยอะๆนะมาดอย่าขาดนะพี่น้องแล้วก็ทําตัวดีกับญาติพี่น้องของเราครําว่าญาติพี่น้องมาอยู่สิบคนหนึ่งพ่อสองแม่สามพี่สาวสี่พี่ชายน้องชายก็ได้นะ เราก็ญาติของฝ่ายแม่6ญาติของฝ่ายพ่อแล้วก็ลูกเขยลูกสะพ้ยพ่อตาแม่ยายโอถ้าพ่อตายแม่ตายก็เหลือแปดถ้าพ่อตัวเองตายแม่ตัวเองตายเหลือเดือมเท่าไหรน่นี่ไปเรื่องจะถือก็ได้ก็จะวันแต่วั น, แ ต, ว น, แ, ตวนแต่วันที่เก้าพยายามถือเดือดสุดนะ วันที่เก้าในแบบสุนัขนั้นบีจะบังคับให้เราถือนะถือนะดีกว่าไม่ถือนะครับวันที่เก้ายุทธหิจนะอ่าก็ได้แะ่ใครบางคนก็ถือถ้าจะถือก็ไม่ห้ามนะครับถ้าจะถือไม่ห้ามนะครับก็ล้อัลฮัมดุลิลละดีมากๆเลยนะอัลฮัมดุลิลละดีมากเลยอัลฮัมดุลิลละวันที่สิบสิบในเดือนดุลฮิกยา เราเนียดว่ายังไงครับฉันเนียดถือศีลอดสุนัตนะเพื่อ Allah. อัลลอฮ์ในเดือนสุไลจ์ละลิลลาฮิตาล า, านเนียดภาษาไายนี่แหละพี่น้องนึกในใจก็แล้วกันไม่ต้องพูดเป็นภาษาอาหรับหรอกนะเดี๋ยวก็แ ย, แนนยกหแหมแค่เนียดภาษาเราก็ปวดหัวนะวัยตุจอันอัลซูมอัลลอฮ์ยะยะนียดภาษาไทยง่ายๆ <laughs> ใช่ <laughs> สำหรับมุสลิมมะที่มีรอบเดือนอ่าทํากุรบันได้ไหมครับโอ้ดีมากเลยทำเลยละมุสลิมมะมีรอบเดือนทำกุลบานได้ไหมอ้าถามได้หรืไม่ได้ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามรับคนเดียวเลยก็ได้สี่หมื่นทำให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องฉันรับคนเดียวทั้งทัที่มี มีประชาเดือนอยู่ได้ไหมได้ไม่ห้ามทีทั้งหลายหรรดีมากครับเขาใจถามนี่ยความจริงอาบน้ำละหมาดได้ไหมเพราะว่าที่นายมีบอกว่ามีสุนัขให้อาบน้ําละหมาดอยู่ตลอดเวลาพี่น้องอาบน้ำละม า, าดก็ได้นึกน ง, ง่ายๆดิสามีภรรยาที่ร่วมหลับนอนกันนะให้อาบน้ำละมาดเก็บเอาไว้ด้วย ถ้ายังไม่อาบน้ําเลยนะให้อาบน้ามนา ม, ม า, ากเก็บเอาไว้พี่นอ้องเอารอมาลัยก้านก็ลงมานะ่ะเช่นท่านคนที่มีมน้ามีมจะนาำบ้างมีหด้วยสยาพี่น้องแล้วก็ไม่ยอมอาบน้ำนา ม, มาไว้มาลัยกา้านไม่เข้าใกล้นะน่ะเช่นท่านไปอาบไปอาบน้าน้ำ ม, มาแล้วก็มานอนต่อเอ า, ารอทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ส่วนใหญ่กจะเน้นเน้นผู้ชายนะแต่ผู้หญิงทําด้วยได้ไหมได้ทำโดยละเอียดอย่าง น, นั้นมี หญิงมีประจำเดือนอาบน้ำน้ำมาได้ไหมได้ไปน้องรักษาไปเลยนะไม่มีปัญหาถ้าเรามีน้ำละหมาดอยู่ตลอดใส่ตอนก็ไม่เข้าใกล้เราใช่ไหมเราเรียกในภาษาหะดีสว่าซิลาหุลมุมินศิลาแปลว่าอาวุธของผู้ศรัทธาต่อองค์ก็คือน้ำน้ำมาซึ่งไม่มีใครรู้เอาไปสัดอาเอาเอาไปทําอาไปชะลอบใาครอ่ะ อันทดล่งกับชัยตอนะเป็นอาวุธที่ต่อต้านชัยตอนชัยตอนไม่อยากจะเข้ากล้าพี่น้องแต่บางคนมีน้ำน้ำหมาแล้วปากก็ยังเสียอยู่ต้องระวังด้วยนะครับชัยตอนนี่มันมานอนเฝ้าที่บ้านเราเลยหรือไงที่เราจะต้องต่อสู้กับมั น, นเพราะอะไรครับชัยตอนเนี่ยเอาล่อฝากไว้ในตัวเราเลย <laughs> อยู่กับเราเลย แล้วก็มีมาลาอิกาด้วยอัลลอฮฺให้มาทั้งสองทุกคนมีมาลาอิกาดก็มีไซต์ตอนอยู่ในร่างเดียวกันใช่เราหยุดตัวเรา่เข้าข้างใครถ้าเราเข้าข้างไซต์ตอนมาลาอิกาแพลถ้าเราเข้าข้างมาลาอิกาไชต์ตอนแพลอยู่ที่ตัวเราคือเนาะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยถ้าไปเก็บตังค์พันบาทเข้าข้างใครเข้ามาไชต์ตอนแล้วก็เก็บเฉยนะรีสกีของฉัน มันอยู่ในในตัวเราในเส้นเลือดเราเนี่ใช่ไซตตอนมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเรายะเจริฟิดฟิดมาเจริดดัมมีวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของมนุษย์เลกอ้า่นอกังนั้น ย, ยานมีอิทธิพลกดๆมาไว้ย้างนอกกดมันกดพันกดพันครับคือมารถกับลูกศิษย์ก็ขับรถก็ถามดูว่าในรถเรามีไซตตอนไหมเพราะว่าทําไม เราขับรถต้องระวังตลอดบางครั้งก็หัวใจมันสวิสวัตซีตอนมันอยู่ในรถ ด, ด้วยยังไงลูกศิษย์ถามอย่างนั้นนะครับมาส่งครูเขูจะสอนเกี่ยวกับพวกมาลับเนี่ยมาลัพจะถามหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็บางเรื่องที่ครูวันนั้นที่ฟังที่สัตว์นิชนก็าถามดีเหมือนกันเขาว่ามุสีมาเขาไม่กล้าถามเองแต่มีจดหมายเดินไปอาจารย์เบนคงตอบ อ, อาจารย์สุลิมานว่า ทำไมผู้หญิงมีสามีสองคนไม่ได้หรือไงอ้าอลอตนั่อผู้หญิงเนี่ยอยู่ในคำพีกุรอานนะอัลลอห้ามเอาไว้อะลอถ้ามีสองคนเนี่ยไม่รู้ว่าลูกใครลูกใครเี่ยมันอู้พี่น้องทะเลาะกันตายได้พี่น้องมาดองมาดกแบ่งไม่ถูกเลย ท่า น, นผู้หญิงที่อดท น, นตามกุรานมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะพี่น้องพี่เชื่อไหมเนี่ยมุสลิมานี่นะเมื่อเข้าสวรรค์แล้วนะสวยกว่าหญิงชาวสวรรค์อัลลอฮ์สวยกว่าหญิงชาวสวรรค์พี่น้องสาเหตุที่สวยกว่าเพราะว่าหญิงชาวสวรรค์ไม่เคยอ่านกุรานนะหญิงชาวสวรรค์ไม่เคยอ่านนานมารรมมาค่ะหญิงชาวสวรรค์ไม่เคยติดอดครับฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะ อ่านกุรอ่านทั้งทังที่อ่านกุรอ่านก็ไม่กระออกอันตะกุบตะการพยายามอ่านตัตั้งอ่านคล่องเลยไปน้องปวดก็แย่ใช่ไหมพอสี่โมงห้าโมงเราแย่ไปน้องนี่แหละไปน้องแล้วก็อาบน้ำามัสการแล้วก็แปลงฟันไปน้องแล้วก็อดทนไม่ทําความชั่วไปน้องจึงสวยกว่าหญิงชาวสวรรค์ตั้งเยอะหมดแล้วมาต้องทํางานแล้วรอรับผลเริ่บุญอย่างเดียว ตอนนี้อ่เหนื่อยไปนิดหนึ่งพอตายอยากตายไหมตายแล้วจบไม่ต้องทําแล้วแลาบหนุนแลรอรับรางวัลเลยอ้ารางวัลมาอย่าเอารอเหนื่อยนิดเดียวครับเดยก่อนตายเองห้าสิบปีไม่ถึงก็หมดเวลาแล้วพอลงตูโบก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมตอนนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวคําถามของหนูนะเดี๋ยวคุยถามคําถามสุดท้ายนิดหนึ่ง ที่อรสมุทาราบอกว่าอายุกุมอาสนวอมมาลาอ่านสามกุ้ น, น่ะเป็นผลงานไหมอาจารย์ครับก่อ น, อนพี่ต้องครับอ่านสามกุ้ น, น่ะเป็นผลงานคนที่ทำได้น่ะคนที่อรอรักผมทำทุกคืนน่ะไม่เคยไม่เคยทิ้งมีหลายคนนะอยู่หาดใหญ่ก็โทรศัพท์มา ผู้หญิงเล่าเองเจอแรกหนูตั้งใจว่าคืนนี้ไม่อ่านสามกุญลจรำคาญนอนไปหน่อยนึงนอนไม่หลับลุกขึ้นมาอาบน้านำมาดใหม่แล้วก็มาตะปัดที่นอนแล้วก็ยกมือขึ้นตอนนี้มันหลับสบายใช่้องช่ตอนนี้บอกหมดเลยใช่ <laughs> อย่างนี้เรียกว่าอายุกุมอาสนวรมารามอาจารยา์ะสียมาแล้ว <laughs> ใช่ใช่ไหมอาจารย์ อ่านแล<น>้วละหมาดล้อัานสามคุณเนี่ยอาจารย์พรหมฤทธิ์เสดครับพี่น้องทําตามสุนทรนาวีทุกขั้นตอนทําพี่น้องทําเถอเวลาห า, เ า, า, า, า, า, าเวาอาเอามือปิดปากตามใครตามสุนทรนาวีเวลาไอเนี่ยเอามือปิดจมูกพี่น้องทําตามสุนทรนาวีทําให้เหมือนนาวีทุกขั้นตอนถ้าที่เราบสมารี่จะเรียนรู้นะทําตามมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดพี่น้อง ก็เป็นผลงานเป็นผลงานอนาะสรณ์มาล้เป็นผลงานดีๆเลาไม่บอกว่าใครทําคนมานมากกว่าไม่ใช่ใครทําดีถูกต้องตามที่ท่านนบีได้ใหร้รูปแบบเอาไว้นะครับอันนี้สุดท้ายเลยอาจารย์ตอ บ, ไ, ไ, บ, บตอไหมอาจารย์ตอบไหว่าคนมานจะต้องฝ่ายชนคนที่ยากจนหมายถึงมีริสกีระดับที่แับแคบถ้าเราไม่มีความสามารถจ่ายส ก, การหรือทำกุลบานจะมีวิธีใดที่คนยากจนสามารถ ได้เท่าเทียมกว่าการจ่ายส ก, การรัดระกูลบาทพี่น้องอะไเงีถ้าไม่มีความสามารถนั่งเฉยๆเดี๋ยวเนื้อมาถึงบ้านเองพี่น้อง <laughs> นั่งเฉยๆเอารอพี่น้องไม่มีโอกาสได้ไปทำฮัจิติ่ต่อจานยาซีสลักเพชรเดี๋ยวมีช่องทางอินชอนลอนั่งเฉย ๆ, ๆ <laughs> อะไรฮนะ อ่าอใช่ใช่อ่าบิฟาักก่อนนะอ่าแล้วโดนบินนาอกุญยาด้วยก็ดีสิฮะถ้าสีต้นน่ะดีมากจะสามอันตรักษาไว้รักษาไว้รักษาไว้นะครับสามกุญส์สามกุญช์เนี่ยมันแน่นอนจะกุญยาด้วยก็ดีครับ อาลาบุลิลละต้งนึกนะลราจะให้รางวัลตอบแทนด้วยนะอัลลอ์กุลนะัลลอฮ์ฮุลอาซูบิรอบบิลฟาักุลหซูบิรอบบินนาสอาตุลล่าามุนใช่ใช่แล้วก็ทำรบบัวนอาจาร์บอกวิธีการที่เราทำแล้วอัลลอ์จะทรงเมตตาเพิ่มูพริสุกีทำความดีตามที่อัลลอ์สั่ง แล้วก็ทำเพื่อ Allah, อัลลอฮ์อีหม่านันหวักิซาบันทำแล้วหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อย่าหวังจากคนอื่นนะแล้วก็ทำด้วยแรงศรัทธาให้อีมานมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้แหละเป็นของที่ถูกต้องที่สุดถ้าท่านเป็นน้องยากจนไม่ต้องทำกุรบานนะไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นน้องขอหนัอ่าจอัลลอฮ์อ่านกุฎอ่านสม่ำเสมอหลังหลังจากนมาศเสร็จแล้วอย่าเพิ่งลุกขึ้นนะ เก็บสุภานุลอสุานุลอสุานุลอสามสุามครั้งพี่น้องเก็บให้ดีนะอัลลอฮพี่น้องผลแลบุญเท่ากับคนรวยยางไงพี่น้องอัลลอฮฺสุภานุลอสุลฮามดุลิลลาห์อัลลอฮฺอบักบัดผู้ช้าชาเราบลาบลาบลาบลาบลาบลาบลาบลาบลาบลาบลาบลาบลาบลาบลาบลาบลาลาบลาบลาบลาราบลาบลาบาบลาบาบลาบลาบาบลาบลาบลาบลลลาาาล วันที่5 5กันยายน5กันยารับเดชเชนอาจารย์ยศินนะครับครับครับครับมีใครตัว า, า, าวมาหาผมเมื่อวานหรือเปล่าที่นั่งยู่มีไหมโอจะมาสอนหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> นูนแหละโอ้ทำดูดิครับทำดมดิแหละศิลป์านะกัลลอฮมะบิขามีกะช่วยละอิลเลาะห์อิลเลาะห์อันตะอัสตัฟุลกวาตูบุอิลัยซุลามาริคุมบะละวะตุลลอฮฺมะฟาตุลครับขอเชิญอาจารย์ยศินครับ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أ ش ر في الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أ ج م ع ي ن سبحانك لا ع م ل إ م إن أن م ول إ ن ا, أ ل إلا ما علمتنا إنك أتنعليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العالي جنظيم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري وحلل أكرة من لسان يفقه ي, ي قولي ท่านครับสิ่งที่เรากาลังพูดถึงครับคือสิ่งที่เป็นเป็นอาหารจิตวิญญาณสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสาเร็จกับคนที่ประสบความล้มเหลวสิ่งที่ให้คุณค่ากับเรา ทั้งชีวิตในโลกนี้ในชีวิตในโลกหน้ามันมีสิ่งใดครับที่เป็นอาหารทางเรื่องนี้ได้นอกจากความรู้คุณน้องครับในวันนี้ที่เราได้เสียสละเวลามานั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ครับหลายคนมีภาระหลายคนมีความจําเป็นแต่เรายอมทิ้งสิ่งนั้นได้ครับเพราะเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันมีคุณค่ามากกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้กระทํากันอยู่ในวันนี้ครับชนของผมนะครับรับผิดชอบในเรื่องของอัจฉริยะ นะครับฮะดิษของทศวรรษศรัลลัมเคยได้นําหนังสือมามอบให้กับผู้เข้าร่วมนะครับหนังสือสิทิ์ฮะดิษอันนาววิยะมีใครนํามาด้วยไหมครับอ่ะยังไม่อ่านงั้นใครที่ทราบว่าผมเคยนํามาแล้วแต่ว่านั้นเอาหนังสือเล่มนี้มาด้วยนะครับเพราะเราจะเรียนตามหนังสือเล่มนี้ถ้าใครที่ยังไม่มีก็บอกกับบางอาลีได้นะครับเดี๋ยวลงชื่อไว้ว่าใครยังไม่มีนะครับ ครับดังได้เกินไว้นะครับพาดิษที่เราเรียนกันอยู่นะครับมันเป็นถือว่าเป็นเป็ น, ปนอุมมะาดนะครับถือว่าเป็นหลักเป็นแกนของเรื่องราวที่เราควรจะต้องเรียนรู้ในเศรษพาษิสอันนาววิยะ นั้นท่านอิหม่ามนา ว, วีครับได้คัดสรรฮัลลิสซึ่งมีเป็นหมื่นหมืนฮัลลิสนะครับแต่คัดเฉพาะสิ่งที่มันครอบคลุมทุกแง่มุมทุกมิติในการใช้ชีวิตของมุสลิมเพื่อให้มุสลิมนั้นได้บรรลุ ถ, ถึงสิ่งที่เป็นความสุขความสําเร็จความมีงามนะครับนั่นยิงถือว่าไม่เรียนไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้หัวข้อเรื่องนี้นะครับอุฟโลุดีนว่ามารอติบุฮรุรากฐานของาศาสนาโครงสร้างของาศาสนา และตำแหน่งระดับของาศาสนานะผมพูดง่ายๆนะครับว่าฮัตติที่เรากำเรียนต่อไปนี้นะครับเป็นฮัตติที่บอกที่เรียกว่าอุมมุลลิลฮัตตินะครับเป็นแม่ของของฮัตติสเลยก็ว่าได้ในเรื่องนี้ไม่เยอะเลยนะครับมีแค่สามเรื่องหรือสามอสามอเท่านั้นฮะเป็นยุทธศาสตร์เป็นสิ่งที่ท้าเราสุลต่านสุลต่านอัลลัม ได้รับมาจากอัลลอสุบหา ا ن ه าละ ت า ا า ى ทัรุสุลลาสลลาะอฺวเลสัลัมชาระยะเวลา23ปีในการดะวะในการแนะนำอิสลามในการชักชวนผู้คนก็มีนัยยะมีความต้องการคือให้มวลมนุษยชาตินั้นเข้าถึง3ออต่อปีนี้ดังที่จจกาะในอะฮดิสก่อปีนี้เกินไว้ก่อนนะครับ3ออที่ทรสุลลลลอลสันลัมนมา เป็นหลักเป็นกรอบในการแนะนําอิสลามนั่นคือออที่หนึ่งครับอิสลามอิสลามครับออที่2อง إ ي م ครับออที่สที่เรายัางไม่คเคยชินหูเท่าไหร่ครับเรียกว่ายหษานอีกข้างหนึ่งนะครับเรื่องที่เรารเรียนต่อไปนี้ในหะดิษที่เรารเรียนต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งอิสลาม2อง إيمان สามยัาน เป็นองค์ประกอบสาคัญสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้ถ้าเปลียกเป็นต้นไม้นะครับเป็นเหมือนกับเป็นเปลือกเป็นเนื้อเป็นแก่นของต้นไม้อิสลามคือเป็นเปลือกของต้นไม้อีมานคือเนื้อของต้นไม้อิฮซานคือแก่นของต้นไม้นั้นต้นไม้ต้นหนึ่งครับที่จะมีชีวิตอยู่ได้ จะต้องมีองค์ประกอบสามส่วนนี้ครับมีเปลือกมีเนื้อมีแก่นจึงจะเป็นไม้ที่มีค่าถ้ามีเปลือกอย่างเดียวแล้วก็เนื้อไม่ดีแก่นไม่มีมันก็เป็นไม้ล้มลุกธรรมดาแต่ไม้ที่จะมีคุณค่าเป็นไม้สักไม้แดงไม้เต่งที่เอามาใช้ประโยชน์ที่มีราคาแพงๆต้องมีองค์ประกอบสามส่วนนี้ เปลือกเนื้อแก่งอิสลามที่จะครบถ้วนสมบูรณ์อิสลามที่มีนัยยะที่จะยกระดับคุณภาพของมุสลิมเรานั้นต้องมีองค์ประกอบ3มส่วนนี้คนคนหนึ่งที่จะเป็นมุสลิมที่มีความครบถ้วนมีความสมบูรณ์มีศักยภาพมีความดีงามมีความผาสุกทั้งดุนยาและอักเครอจะต้ององค์ประกอบ3มส่วนเข้าถึงสมส่วนนี้มีเปือกคืออิสลาม มีเนื้อคือ إ อม م ا ن มีแก่นคืออิสซานครับงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าใจทีละประเด็นทีละประเด็นว่าอิสลามที่แท้จริงมันคืออะไรกันความลึกซึ้งของอิสลามมันคืออะไรกันอิมานหลักการศรัทธาที่แท้จริงคืออะไรกันเราจะเข้าถึงการอิมานอย่างลึกซึ้งได้อย่างไรแล้วก็แก่นแก่นของอิสลามเราคืออิสซาหนั้นมันคืออะไร เดี๋ยวเราจะมาพบกันในะดษของท่านรอซูล l l a h ซลาะาะละซัมที่พระองค์ได้ทรงกล่าวะดษที่เล่าจากท่านอุมารบนลขับบับกลาว بينما ท่านอุมรบลขอบบบได้เล่าว่าในขณะที่พวกเราคือเหล่าบรรดาสฮาบะนั่งอยู่กับท่านรอซูลละละซัมในวันหนึ่ง อยูต่ออะเล น, นาอรโยลชนิดูนฉาดีดุนบา ย, ยายาบมีคนคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นคนคนนี้นั้นใส่เสื้อผ้าขายางสะอาดเลยฉาดีดูสวาิศาริผมนั้นดกดำและยูรออะไรที้อัรุษสัพซึ่งไม่พบร่องรอยการเดินทางมาเลยวลายาริฟูมินาหะเดพวกเราไม่รู้จักชายคนนี้เลย ขณะอย่าล uh ืมอิหลันเดบสลลัลลอฮฺอัลลอฮ์ส a ลลัลลัมจนกระทั่งชายคนน an ี้นั้นมานั่งอยู่ใกล้ๆกับทัรสลลัลลอฮฺสุลลัล a อฮฺ i ัลลอฮ์ a ุลลัมฟาสนาดะรุกบาไตฮีอิล่ารุกบาไตฮชายคนนี้ก็เอาเข่าทั้งสองนั้นไปชนเข่าทัรสลลัลลอฮฺสุลลัลลอฮฺอัลลอฮ์สุลลัมวาวบวาอัลกัฟไลฮีอัลลาฟัคคีลฮีลชายคนนี้ก็วางฝามือทั้งสองที่ขาต้นขาของ ul all all am, ทรลล กกและชายคนนี้ก็ถามท่านนบีว่าย่ามุฮัมมัดอัลบิรนียาในอิสลามโอ้มฮัมมัดขอให้ท่านบอกทันสิว่าอิสลามคืออะไร ف ق ก ل อนและ ل الله ลลอฮิสุล ل ลลลาฮฺมุนบีจึงกล่าวตอบชายคนนี้ว่าอันอิสลามอิสลามนั้นคืออันตัชฮะดาอัลลออิลาฮ์อิลลัลลอฮ วะอัลนะมุฮัมมัดอัลลอฮฺสุลลลลอฮฺการที่ท่านปฏิญาณตนเปล่งวาจาว่าฉันไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้ดูเที่งแท้นอกจากอัลลอฮสุบฮานุแต่ละเป็นงพระองค์เดียวเท่านั้นและแท้จริงท่านนบิมฮัมมัดสุลลลลอฮอัสลัมเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮสุบฮานุวาตาละสองวัตุกีมุสซลเขาต้องดำรงยืนหยัดกันละมาสวัตุติยสกาตะท่านจะต้องจาสกา C. วตาทัฟูมะ رمضان ที่ดอื่นอื่นรอมฎอนาวา่าทัฟจหเจลบิทอินสตอตออิสตัตั่งเตอิเสบิลเขาต้องไปทำหัจญีที่เบตุลลอฮ์าหากถ้าเขาหากว่าเขามีความสามารถจะไปได้ก็แล้วสดักตะชายคนนั้นที่ถามและก็กล่าว ก, กับกนกล่าวกับกนบีว่าสอดักตะฉันพูดฉันพูดถูกต้องแล้วฟาอิเบณาและหูอุมรัรก็แปลกใจ Yes Allahu uh wujud sadiq a h uh u ชายคนนี้ถามนาบีแล้วก็ดนยันว่านบีพูดถูกแล้วเสร็จแล้วชายผู้นี้ก็กล่าวกับ น, นบีถามแต่นบีต่อว่าฝักบุรนีย์อินอีมานมุฮัมมัดขอให้ท่านบอกฉันสิว่าอีมานนั้นคืออะไรกอลทเรา الله, สูลก็ทรงตอบว่าอันต ah ุมินบิลล่าอีมานที่การที่ท่านศรัทธากับอัลลอฮ์สองว่ามาล้อิกตุฮู ศรัทธาต่อมาลิก้าของพระองค์สวา่ากุตุบิหีศรัทธาต่อคัมภีร์ของพระองค์สี่วา่ารสุนิหีศรัทธาต่อ ส, สัสนทูกของพระองค์หวันยามิลอาคือศรัทธาต่อวันสุดท้ายคือวันเกียร์มะหกวัตุมินบิลก็จะใครริหีวัดฉัรริหีท่านต้องศรัทธาต่อกําหนดสภาวะความดีความชั่วที่มาจากอรสุภาหานิวาตาละก็ชายคนนั้นก็กล่าวว่าซอดักตะท่านผู้ถูกต้องแล้ว ก่อนเสด็จชายผู้นั้นก็ถามท่านรอสุล u l l a ต่อไปว่าฝ่าขบือรนีอันอินอฮซานมูฮัมมัดบอกฉันสิว่าอิฮซานนั้นคืออะไรกล่าท่านรอสุล u l l a ก็ทรงตอบว่าอันตามุลลอฮก็อันนักจะราหูไฟลัมจะคุณจะราหูไฟอินนฮูจะรักก์อิฮซานคือการที่ท่านจินตนาการ การที่ท่านทำอิบารดกับอัลลอ์แล้วท่านมีจินตนาการว่าท่านเห็นพระองค์แม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นท่านนั่นคือยหาซานหลักสั้นๆนะครับที่เป็นแก่นของศาสนาเราก็ว่าได้ขอชชยผู้นั้นก็คือญิบริสนะครับที่มาสอนท่านรอสูละก็กล่าวถา กล่าวถามท่านรอสุลละตอไปว่าฟาอัคบรเนียนิซามุฮัมมัดขอให้ท่านบอกฉันสิว่าวันเกียร์มานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ท่านรอสลละส่งตอบว่ามัลมัสูลูอันฮาบิอัลลมินัสซาイルคนถูกถามก็ไม่รู้มากไปกว่าคนที่ถามหรอกหมายความว่าทั้งคนถามและคนถูกถามนะก็ไม่รู้ว่าวันเกียมนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด กอลชายผู้นั้นก็กล่าวต่อไปว่า ف ั خ บ ر ن ي ع นออมารอที่านั้นขอให้ท่านบอกถึงสัญญาณเครื่องหมายที่จะเกิดวันเกียรมะกอลทารุสุลก็กล่าวต่อว่าอันตตลิดัลอมาตุรบัตหฮาหนึ่งการที่ทาสีนั้นคอดลูกเป็นนายของนางสองว่าอันตัรออัลฮุฟาตัลโรอตัลอาละเรอาอัชะยะต่ต่วารนฟิลบุญยามท่านจะพบ คนที่เท้าเดินเท้าเปล่านะครับใส่เสื้อผ้าที่เหมือนไม่ิคซใส่อัลอาณะมีความยากจนหรืออาชะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ในท้องทะเลทรายยกต่อต อ, ตอวะลูในฟินบุญยานแข่งขันการสร้างอาคารสูงสูงนั่นหมายถึงอาหรับฟุมมันต์อแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยชายที่มาถามนบีนั่นก็ออกไปก็เดินทางออกไปทุ่มัตก็กล่าวต่อว่าฟาลบิสตูมารยัน ฉันก็นั่งอยู่ชั่วครู่ฟุมมาก่อนต่อมาท้ารอสูลละก็ทรงกล่าวว่าย่าอุมรัรอุมัรอตาจารีมานิสซาอินท่านทราบไหมว่าคนที่มาถามฉันคือใครกุลตุนท่านอุมรัรก็กล่า ว, า ว, วาลลก่อว่าอัลลอฮฺบอรอสูลละอาล้วอัลลอฮ์และรอสูลนั้นที่ทราบดีกอนท้ารอสุลละก็กล่าวตออว่าฟาอินนะฮูจิบรีลคนที่มาถามนะ่ะคือท่านญิบรีน อาตากุ่มมหาพวกท่านยูอันลิมุกุ่มดีนะุ้มเพื่อมาสอนศาสนาพวกท่านนะครับนั่นคือฮะดิษที่ทุมบอกว่ามันเป็นโครงสร้างที่สำคัญของอิสลามครับเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญในอิสลามครับคนที่เรียนกันตั้งแต่อนุบาลถึงด็อกเตอร์ก็เรียนกันแค่สามเรื่องเนี่ยนะครับสามออจำให้มากเลยนะครับอิสลามอีมานแล้วก็อิฮซน ยะซานาําศัพท์นะครับยะซานแปลว่าการทําความดีอันนี้คือคำสั์นะครับแต่ในยะที่พูดถึงนั้นมันเป็นคําเล็กๆที่มันต้องต้องนะฮะความเข้าใจมันเหมือนเป็นเคล็ดวิชาง่ายๆเป็นคําพูดที่สัน้นเป็นเคล็ดวิชานะครับหลักยะซานนะครับอันจะบูอลลอฮ์การท่านการที่ท่านทําความดีกับอัลลอฮ์เช่นการละหมาดกาอันและ ก, ะกะาตการรอประเนองว่าท่านเห็นอัลลอฮ์ จินตนาการว่าเหมือนเราเห็นอัลลอฮฺฝ่ายอิสลามเจ้าคุณแต่เราแม้ว่าท่านไม่สามารถที่จะเห็นอัลลอฮฺด้วยกับตาได้แต่ขอให้เราได้มีจินตนาการมีความรู้สึกครับว่าฝ่ายอินนะฮูอย่ารอ ก, กว่าอัลลอฮฺเห็นท่านนั้นข้ามอันนีอย่างนะครับเพราะว่าพื้นฐานอิมานอิสลามเร า, าพอที่จะรู้แล้วงั้นถ้าพอดีคุณถามว่ายัซานเนี่ยซึ่งมันเป็นหลักหลักสั้นๆเลยนะ เยาะศานหลักท่านเส้นเป็นเคสที่บอกว่าเป็นเคสความรู้นะครับที่ต้องอาศัยการฝึกอาศัยความเข้าใจแล้วก็อาศัยการกระทำนะครับหลักง่ายๆอิบาดะเหมือนเราเห็นเหมือนการที่ทําอิบานะทำละหมาดประหนึ่งว่าเราเห็นอลัลลอฮ์แม้ว่าเราไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์งทรงเห็นท่านเยาะศาสคือการที่เรามาเรียนหนังสือนะครับมีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์นั้นเห็นเราอยู่อัลลอฮ์นั้น เฝ้าระวังการกระทำเราอยู่เราก็เฝ้าระวังว่าเรานั้นจะไม่ฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์แม้ว่าเราเน้นไม่เห็นอัลลอฮ์ได้เพราะเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของพระเจ้า that s i f ลักษณะของอัลลอฮ์ سبحانه และการระ บ, บิดคือสิ่งที่เราจินตนาการมาทั้งหมดนั่นคือไม่ใชนะ่นั่นคือความสูงส่งของอัลลอฮ์ที่มันเหนือจินตนาการมีความจิ้งใหญ่มีความสูงส่งในเรื่องของอัลลอฮ์ سبحانه และก็กาลระแต่ขอให้เราได้มีความรู้สึก หรีอผมกำลังพูดชัดๆท้ขโมทดมานะฮะที่จะแนะนำได้เอาสานคือความรู้สึกความรู้สึกที่เราอิบาดะกับอัลลอ์มีความซาบซึง้งมีความกินใจกับอัลลอ์ุบฮานอัตละลาในขณะที่เราทำอามันอิบานะกับอัลลอ์เรื่องละหมาดจะเห็นภาพชัดๆนะฮะว่าเมื่อเราสร้างความรู้สึก อวโลกอวโลกทรงยิ่งใหญ่ในทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้มือที่เราเคยกำจอบกำปากาานั้นเราปล่อยทั้งหมดเลยแบ ท, ทิ้งทั้งหมดเลยครับว่าแบบนี้คือทิ้งนะฮะเสร็จแล้วในใจในยะคือในใจเราเช่นเดียวกันเลยในใจเราที่ยุ่งอยู่กับร้านอยู่กับการงานอยู่กับในเรื่องสวนไร่านาะใจเราทิ้งทั้งหมดเลย นะความรู้สึกใช่ไหมฮะความรู้สึกมันจะมาแล้วนะะนั้นความรู้สึกอันนี้แหละที่มันเป็นบอกมันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยที่หลายๆคนค้นพบสิ่งนี้สิ่งที่มันเป็นความรู้สึกเนี่ยนะฮะคนพบแล้วนํามันปรั บ, ป ร, บปรับใช้มันจะเกิดประสิทธิภาพเกิดเกิดแรงอันยิ่งใหญ่มากเลยนะนั้นเราทําความดีเล็กๆแล้วมาเพียงสอนเราก็อดัดแต่ใส่ความรู้สึกในขณะนั้นดื้อดันอยู่กับกับอิบะาดาที่เราทํา มันจะมีประสิทธิภาพมันจะมีคุณค่ามห า, าศาลเลยต่างกันครับเราละหมาดกิยามุตเลนครับอิหมามละหมาตั้งแต่ตีหนึ่งครึง่งถึงตีสามครึง่งสองชั่วโมงครับแต่เราอ่านเร า, เราละหมาดนะครับิเมื่อใดอิหมามจะเลิอกอ่านสักทีนะฮะแบบนี้พี่น้องครับละหมาสองสองชั่วโมงสู้ละหมาสองนาทีสู้ละหมาสองนาทีแต่ใจเรานั้นดื่มดมนะครับมีความเข้าถึง สองระกาศดีกว่าแต่ผมไม่ได้พูดนะไม่ได้ไม่ไมีนัยยะว่าละหมาดละหมาดกิยามุเลนไม่ดีนะครับดีใครทําได้แต่เพียงแค่ปรับนะครับปรับความรู้สึกที่ที่เราเราทำสองรอกาศสองนาทีที่อยู่กับอัลลอฮ์นั้นยังมีคุณค่ามห า, าศาลเลยถ้าสองชั่วโมงแล้วเราปรับความรู้สึกเราได้ให้มีสมาธิให้มีความดืมดั่งอยู่กับอยู่กับเรื่องที่เราละหมาดอยู่สมาธิอยู่กับอัลลอฮ์ ความหนึ่งว่าว่าเห็นเราโอ้คุณค่ามันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับนั่นเอสานคือความรู้สึกอธิบายได้อีกอย่างหนึงนะครับในตอนนี้นะครั บ, บถ้าหากว่ามีส้มตํารสเด็ดๆนะครับส้มตําแซ่บมากเลยทั้งมะนาวมีไก่ย่างนะครับส้มตําก็อร่อยนะครับผมพูดแค่นี้นะครับหลายคนน้ําลายไหลเลยใช่ไหมครับ <S <S <S <S นั่นแหละมันมีจะคล้ายๆกันเลยนั่นคือเอสานความรู้สึกกรเกิดมา ใช่ไหมฮะผมพูดเพียงแค่นี้นะความรู้สึกเราเกิดขึ <S <S <ไห>น้นมาเลยว่าโอ้ล้ำลายใหญ่ไหลอยากจะคานส้มตังเช่นเดียวกันครับในขณะที่เราละหมาดนะครับความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกที่เราจับเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานิวะตาละความยิ่งใหญ่อัลลอฮฺสุบฮานิวะตาละในขณะที่เรากล่าวอิยาแกนอบุดวะอิยาแกนอสตางีอัลลอฮฺเท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลืออัลลอฮฺเท่านั้นที่เราอิบาดาศั ก, กระลกับพระองค์อัลลอฮฺเท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือ ก็เสร็จแล้วขอให้เรามีความรู้สึกว่าจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีไม่ใช่เพียงแค่หลักการแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันละลายสู่ความรู้สึกข้างในนะฮนะอันนั้นคือคือาสานนั่นแหละนะั้นะนะถ้าสรุปสั้นๆยาณสานคือจินตนาการญาณสานคือความรู้สึก ในความรู้สึกดื่มด่าความรู้สึกที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ในขณะที่เราทำอามัรอิบารัดกับอัลลอฮ์สุบฮานูอัตละซึ่งเรื่องนี้นะฮะต้องต้องต้องฝึกนะครับต้องพยายามนะครับเหมือนถ้าเป็นต้นไม้ตัว น, นี้เป็นเรื่องเล็กแก่นของต้นไม้นั้นมีนิดเดียวเองยกตัวอย่างแก่นของไม้หอไม้กิษนาต้นกิษณามีเปลือกมีเนื้อแต่สิ่งที่มีค่ามากที่สุดคืออะไรฮะ แก่นของกิศนาเขาขายกันเป็นโลละล้านก็มีนะฮะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ดีที่สุดหอมมากที่สุดเช่นเดียวกันครับอีมานอิสลามยาาัษานเป็นองค์ประกอบที่มีคุณค่าแต่ถามว่าแก่นแท้จริงๆแล้วมันตรงไห น, นก็ต้องบอกว่ายาาัษานครับต้องยาาัษานครับนั่นคือองค์ประกอบสามส่วนนะครับที่ผมบอกในเบื้องต้นว่ามันเป็นเป็นหลักยุทธศาสตร์เป็นโครงสร้างอิสลาม ที่ท่านอัลลอฮฺสุลต <Yeah, S 2> ่านอฺน <validity> kind of ั so ้นมาบอกกล่าวกันกับบรรดาสัฮาบะกับตาเบอิดกาเบอีนกับวเราท่านทั้งหลายขอให้เราอยู่ในกรอบสามส่วนนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องเกินกําลังความสามารถของเราใช่ไหมครับแค่อิสลามแค่อิมานแค่ยศานนะครับสมส่วนนี้ถึงเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานแล้วก็เป็นองค์ประกอบเราสามารถแยกแตกแตกหนอแตกยอดไปได้ทั้งหมดเลย นะแต่หลักสําคัญคีอจะอยู่ในกรอบนี้ให้เราได้ผ่านขั้นตอนในเรื่องดังกล่าวผมขออนุญาตยกตัวอย่างการถือศีลอดการถือศีลของเราในรอบเดือนที่ผ่านมาในเดือนรอมฎอนนะครับการถือศีลหลายๆคนถือศีลเพียงแค่เปลือกของการถือศีลอดมีความรู้สึกว่าการถือศีลอดเนี่ยก็คือการอดข้าวอดน้ําแค่นั้นพอกระ บ, บว์คือการไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่ทําในสิ่งที่ทําให้เสียศีลอด แต่ไม่ได้ระวังคําพูดไม่ได้ระวังวาจาไม่ได้ระวังการกระทําที่จะไปละเมิดคําสั่งของรัฐสภาฮังในวาตนาแบบนี้การเดือดดคนนั้นเหมือนกับเปื่อยนะครับยกระดับอัปเกรดขึ้นมาครับเขามีความรู้สึกว่าการเดืเอดสดนี่นอกจากกดข้าวอดอาหารเลยนะต้องบวชบาปด้วยบวชบาปด้วยเขาก็ยกระดับเขาขึ้นมามีความรู้สึกนะครับนั่นคือระดับสองขั้นที่สองทีขึ้นมา ขั้นที่สามขั้นที่เป็นเป็นผลเป็นแก่นคืออะไรฮะบวช ด, ดุนยาเลยบวชใจเลยบวชความกระหายความอยากในทางดุนยานี้แต่มีความต้องการในอาค์เคียร์นั่นแหละครับคือเหมือนกับ เ, เป็นเอีสซานที่จิตของเขาความตั้งใจของเขานั้นอยู่กับเรื่องของอววะเรื่องของ Our, วันเกียร์มานั่นคือแก่นนั่นคือแก่นการเตืยดเส้นอดทีนี้ความสาคัญของฮะดิษนี้ ในเบื้องต้นว่าหลักการง่ายๆใครที่เข้าใจว่าฟาติฮ่าเนี่ยเป็นอุมมมุสลานเป็นแม่แบบของกุสลานในสุร์มีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบสี่สุราสุราฟาติฮ่าแม้เป็นสุร่์เล็กๆมีแค่เจ็ดอายะแต่เป็นสุร่์ที่มีความสำคัญมากที่สุดฮะดิษที่เดียวกันเลยเพระวจนะของทัตอุออ่าอะลลอฮสัลล่งคพูดการกระทาการยอมรับของทัอสุอสอส่าอลฮมีเป็นหลายหมื่นจนทั่งมีเป็นแสงแต่ ฮะดิสที่มีคุณค่าเป็นอุมมุลฮะดีสเป็นแม่ของฮะดีสทั้งหมดเลยคือหะดิสนี้ใช่ไหมฮะจำไว้เลยนะฮะเป็นหะดิสนี้เลยครับทีนี้รายละเอียดนะครับรายละเอียดเรื่องนี้เยอะมากเลยนะครับวันนี้พูดฉันสั้นในเรื่องนี้คง อธิบายได้เพียงแค่เกรียนเกรนไว้ก่อนเดี๋ยววิชาวะฮะในวันหน้าในเดือนต่อไปครับเราจะมาเข้าถึงเรื่องดังกล่าวเลยนะครับว่าแต่และแต่แะเรื่องอิสลามนั้นเป็นอย่างไรครับรุกนอิสลามห้าประการมันอย่างไรอย่างไรบ้างรุกนอีมานหประการมันอย่างไรบ้างแล้วก็เอซานที่วันนี้ขออนุญาตอธิบายเกรียนเกร น, นให้เราเห็นภาพว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องเข้าถึงกับเข้าถึงเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าวเพื่อเราจะได้คุณค่าเสียดายครับเสียดายที่มีมุสลิมเราหลายคนครับที่ไม่เข้าใจในเรื่องดังกล่าวเขาเข้าใจเพียงแค่มุสลิมไม่กินหมูมุสลิมมีภรรยาได้มองกันหนึงคนใช่ไหมครับส่วนใหญ่ใครที่มาว่าเอามุสลิมเอาเนื้อหมูเอามายุ่งกับอิสลามเราโอ้โหมันเรื่องใหญ่มากเลยแต่นั่นเป็นประเด็นที่ พอเราเข้าใจจริงๆแล้วบอกว่าโอ๋มันเป็นเรื่องเล็กๆแต่เรื่องใหญ่คือเรื่องนี้เรื่องใหญ่คือการที่เราเข้าใจว่าแก่นแท้อิสลามที่แท้จริงมันเป็นในยะอัชฮะดูอันละอีละอิลอัลลอฮนัยยะมันเป็นอย่างไรรู้กองค์ประกอบของคำคำนี้ที่จะทำให้คำนี้มีคุณค่ามีประสิทธิภาพมันคืออะไรอัชฮะดูอันนโมฮัมมัดส ล, ล, ลูลอัลนัยยะของคานี้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง นั้นพอเรารู้องค์ประกอบในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมันจะทําให้เราได้เข้าถึงในเรื่องนี้เข้าใจอย่างลึกซึ้งพอเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วความอิ่มเอิบในจิตใจเราพลังในจิตวิญญาณเราแรงบันดาลใจเรามันก็จะเกิดขึ้นแล้วดังนั้นส่วนองค์ประกอบฐานแรกรู้กฎอิสลามจริงเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่ามันสําคัญอันดับแรกเลยนะฮะนั่นคือผมเกรินก่นเอาไว้ในวันนี้นะครับ ยังไม่อธิบายลงลึกในรายละเอียดแต่เช้าว่าฮะเดี๋ยวลงลึกในรายละเอียดในโอกาสต่อไปครับนั่นคือสิ่งที่ได้นําเสนอในวันนี้นะครับว่าเป็น h a d i t ที่2ในหนังสือในหนังสือ40 hadith อนาววิยะซึ่งเป็น h a d i t ที่ได้รับการคัดสรรมาจากอิหม่ามนาววีนะครับแล้วก็เป็น h a d i t ที่เรายึดเอาเป็นกรอบในการอธิบายเพราะว่า40 h a d i t นี้มันเป็นเป็นกรอบทุกมิติในการดำเนินชีวิตเรานะมันจะครอบคลุมสมบูรณ์เลยนะครับ ะนะครับจะเป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์เรียนรู้อิสลามครับในตอนนี้ในศูนย์เรียนรู้อิสลามของเรานะครับปรับการทํางานมายกระดับการทํางานของเราเราคิดว่าเรามาแค่นี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้มีหลายๆศูนย์ น, ยนะครับที่รับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากที่นี่ไปนะครับตอนนี้รู้ไหมครับว่าเรามีกี่ศูนย์แล้วเรามีพี่น้องเราเนี่ยที่เป็นตั้งเป็นศูนย์เนี่ยสิศูนย์แล้วนะครับสิศูนย์เรียนรู้อิสลามภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ เป็นกลุ่มที่เรารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจนะเพื่อที่จะแนะนำอิสลามเพื่อที่จะเติมเต็มส่วนที่ที่เราขาดไปในเรื่องของอิสลามเราด้านคือสูนที่เรากาลังทำกันอยู่นะครับในตอนนี้เรามีกิจกรรมที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับ ซับส่นที่ศูนย์ใหญ่ศูนย์แม่นะครับคือศูนย์แม่ก็คือทางสังคมอิสลามเพื่อการศรัทธาและการพัฒนาซึ่งต่อไปก็จะยกให้ยกระดับเป็นมูนิตินะครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการก็เป็นหนึ่งในโครงการต่างๆของมูนิติเป็นหนึ่งในจุกซอของมูลิตินี้แต่มันเป็นโครงการใหญ่มากถ้าหากว่าเราขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งใจอย่างดีๆมันสามารถที่จะ สร้างความสร้างความดีงามให้กับสังคมนะครับเพราะหนึ่งในยะของของโครงการนี้นะครับหนึ่งครับเราติดอาวุธทางปัญญาให้ทั้งมุสลิมใหม่แล้วก็มุสลิมเก่านะครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะในเรื่องนี้บางคนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับได้โอกาสสนทนากับพี่น้องมุสลิมะที่เป็นมุสลิมใหม่นะครับเขาบอกว่าคําว่ามัอัลลัฟนี่มันมันเป็นภาพลบสําหรับเขา นะครไม่อยากจะได้ยินคํานี้เลยอ๋อแล้วก็เคยนึกมานะครับก็อธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วบรรดาซาบากับทั้งหมดนะครับเป็นมัอัลลัฟทั้งหมดเลยนะฮะคือไม่มีใครรับอิสลามมาก่อนนะครับฮุมัดกว่าจะรับอิสลามได้เป็นศัตรูกับนบีหลายคนนะครับไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่เดิมนะครับก็เป็นมัอัลลัฟทั้งหมดดังนั้นคําว่ามัอัลลัฟจริงๆแล้วนั้นมันไม่ใช่เป็นคำไม่ใช่เป็นคําที่แสดงออกถึงสอบปรทางที่ไม่ดีแต่ แต่เป็นนยัยะบอกว่าถ้าคุณรับอิสลามแล้วแล้วก็คุณทําเหมือนบรรดาซัลฮับบะอันนั้นคือสิ่งที่ใช่ที่ผ่านมาไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่สิ่งที่คุณรับอยู่ขณะนี้คุณทําอยู่ขณะนี้แล้วนะโคตรคุณเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากกว่าการที่คุณรับอิสลามไปแล้วมีความมุ่งมั่นมีการทุ่มเทนั่นคือสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่ครับท่านสั้นนวนฟาริซีมาจาก เปร์ซียเคยกับไหว้ไฟมาก่อนเคยกว่าที่จะมารับอิสลามได้ต้องผ่านความความลำบากกว่าจะรับอิสลามได้แต่เมื่อรับอิสลามและนําอิสลามไปใช้ในการดำเนินชีวิตของแซนแมนฟาริซีท่านแซนแมนฟาริซีกับกลายเป็นซาบาดับแนวหน้าท่านหนึ่งโซเฮบอูรูมีนะครับมาจากโรมโรมันนะครับอพยพมานะครับเป็นคนธรรมดาแต่พอมารับอิสลามเสร็จแล้วนําอิสลามไปใช้ อย่างจริงๆในชีวิตของท่านมีอีมานมีอิสลามมีอิหฉาทำให้โซเฮบอรูมีเป็นคนหนึ่งในนักปรสาทที่อยู่ในระดับต้น้นั้นทุกคนครับที่เป็นคนสามัญบิล้านเป็นทาสนะครับเป็นทาสผิวดำเหมือนไม่มีคุณค่าแต่ชื่อบิลานปัจจุบันนี้เป็นชื่อหนึ่งที่อยู่ระดับแนวหน้าครับที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นทั้งหมดเลยนะครับ อดีตไม่สำคัญนะครับปัจจุบันคือมันเป็นเครื่องพ่สูจน์ว่าที่สำคัญคือวันนี้และวันต่อไปในข้างหน้านั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็อีกคำหนึ่งครับที่เธอฝากมาเธอบอกว่าเนี่ยศูนย์เราถ้าทำศูนย์เนี่ยลาพังเพียงแค่แค่ให้ให้คนรับอิสลามมันยังไม่พอนะศูนย์นั้นต้องให้มุสลิมนั่นรับอิสลามด้วยโอ้โหอีกข้างนึงนะครับเขาบอกว่า ต้องให้มุสลิมรับอิสลามด้วยโ อ, โอ้คาลึกมากนะครับมันปัจจุบันนี้มุสลิมเราที่มาแต่เดิมนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นมุสลิมแต่วิถีชีวิตมันห่างไกลาจากอิสลามเลยบุคคลเหล่านี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ยิ่งหย่อนมากกวันครับจะต้องให้เข้ารับอิสลามต้องเรียนรู้อิสลามมีความเข้าใจอิสลาม แเนะพราในวันนี้หลายๆค น, นหลายๆท้องที่มันไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรว่ามุสลิมอะไรยังไงไม่ต่างกันเลยในวันนี้มันต้องทั้งหมดเลยนะครับทั้งทั้งอัลลัคด้วยทั้งมุสลิมใหม่ด้วยทั้งมุสลิมเก่าด้วยนะครับแล้วก็ศูนย์เนี่ยก็จะตอบโจทย์อันนี้นะครับหติดอาวุธทางปัญญา2เมื่อใช้ดีแล้วเอาอิสลามมาใช้แล้วอิสลามเปลี่ยนชีวิตเราได้อิสลามยกระดับชีวิตเราได้อิสลามสร้างความสุขให้เราได้ใช้ดีและบอกต่อครับ บอกแนะนําอิสลามเอาอิสลามสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจสิ่งทีเ่เราคิดว่ามันมีคุณค่าอย่ น, นี้นะฮะอยากจะบอกคนข้างๆเราคนที่เรารักมากคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเราเราอยากจะให้สิ่งนี้เขาเหมือนที่ถ้าเราสลบล้อสลบล้อกับสุลามอยากจะให้สิ่งนี้กับญาติพี่น้องใกล้ชิดกับท่านก่อนก็อยากจะให้อยากจะอยากจะแนะนําว่าวิธีการทำความเข้าใจกับเขาการแนะนําอิสลามกับเขามันเป็นอย่างไรนั่นคือเป้าหมายที่สองเป้าหมายที่สมครับ การเซอร์วิสนะครับการดูแลหลังจากการที่เข้ารับเป็นเป็นมุสลิมแล้วปัญหานี้เข้าใจนะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมรับอิสลามใหม่ๆนะครับมีความเป็นอยู่ในภาวะบททดสอบมากเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจเพื่อนฝูงพี่น้องไม่เข้าใจอยู่ชีวิตที่มีความลําบาก สุนนิลุอิลามเราจะไปช่วยในเรื่องนี้นะครับนั่นคือโจทย์ที่เราพยายามหาวิธีการที่จะไปช่วยในเรื่องนี้นะครับว่าช่วยกันประคับประคองนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับให้กําลังใจให้กําลังให้กําลังซับที่จะช่วยได้ที่จะยกระดับเขาได้นั่นคือ3มองค์ประกอบครับที่สูนนุลุอิสลามเนี่ยกำลังทํากันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ ครับมีคําถามมานะครับถามว่ามีซาบะยากจนนะครับเข้ามาร้องเรียนถ้าเราโซลล่าโซลล่าอะไ ร, ลรสลัมครับว่าพวกเรานั้นยากจนนะฮะไม่ส า, สามารถที่จะบริจาคอุตสาหกรรมหรือไม่สามารถที่จะทําทานได้เหมือนกับคนรวยนั้นเหมือนว่าอยากจะได้รับคุณค่าอยากจะอยากจะได้รับผลบุญเท่ากับคนรวยนะนะฮะ น บ, บีนยังสอนว่าให้รู้ล้อและทําความดีนั้นเราจะสามารถที่จะแข่งกับคนรยวยได้ช่วยในงานฮะดิษดังกล่าวด้วยนะครับครับฮะดิษนี้เป็นฮะดิษที่ทรงคุณค่าตัวฮะดิษบอกว่ามีซาบกลุ่มหนึ่งครับเป็นซาบาคที่มีฐานะยากจนสังเกตเห็นนะครับว่าคนที่พอมีฐานะเนี่ยนะเขาสามารถที่จะเอาเงินไป บ, บริจาคได้เขาสามารถที่จะออกสการได้นะครับตอนนี้ซาบกลุ่มจนก็บอกว่าเนี่ย เราขาดทุนนะเพราะว่าละหมาดแล้วก็ละหมาดเหมือนกันคนจนคนรวยละหมาดเหมือนกันนะครับบวชก็บวชเหมือนกันแต่คนรวยยังสามารถต่อยอดทำความดีได้เพิ่มมากพวกเราไม่มีโอกาสเนะี่ยพูดได้ง่ายนะครับละฮะบะอาหุดยูซุรอิลลอร์ ส, สุลลิลลาฮิอัลลอฮิซลลลอฮ์วะล จะฮะบะอหุตดุสรุบิลอุยุตเกษรเราเกรรมเป็นแบบนี้นะครับคนรวยมีโอกาสทําความดีมากกว่าเราทั้งๆั้ที่เราละมาหมาดเหมือนกันระบุเหมือนกันนั้นทศรถบอกว่าจริงๆแล้วการทําความดีนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องดังกล่าวการทำศราทธาไม่ใช่จํากัดอยู่เพียงแค่ศระกทธาด้วยกับเงินแต่ศระกทธานั้นกุลหมารูฟินศรัทธา ทุกความดีที่เรามอบให้กับคนอื่นทุกการช่วยเหลือที่เรามอบให้กับคนอื่นถือเป็นสระกะวันนี้ผมมาแนะนําอิสลามให้กับพี่น้องครับถือเป็นสระกอและเป็นสะดะกอที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งผมไม่มีเงินมีทองที่จะสระกอให้กับพี่น้องที่อยู่กระจายทำศูนย์แต่ผมมีวิชาความรู้ที่จะสะดะกอให้กับทุกท่านอันนี้ก็เป็นสระกอ กันทัศเบียะก้าวละกันทัศเบียะุบ b h a n a l l a ก็ถือเป็นซาลก็การกวอัลลอฮุอะกบารอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นซาลก็การที่เราเดินไปเจอคนลําบากครับเราช่วยเหลือเขาเขาจะขึ้นรถเขาจะข้ามถนนเราช่วยคนแก่ช่วยคนตาบอดข้ามถนนถือเป็นซาลก็เราเดินไปเจอเจอขยะเจอขวด เสร็จแก้วเสร็จน้ําตามถนนเสร็จแล้วเราช่วยกวาดช่วยเก็บให้เข้าที่เข้าทางถือเป็นสรอกร้อนั้นสรอกร้อตามระยะของท่านดรสรอที่บอกกับเราสรอกร้อนไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการเงินทองไม่ในเรื่องของเงินทองแต่ทุกสิ่งที่เราได้ช่วยเหลือพี่น้องเรากำลังกะกลังใจคําแนวสีฮะที่ดีคาําแนะนําที่ดีการช่วยเหลือเกี่วยวกับร่างกาย ก็ถือเป็นสระก้อทั้งหมดเลยนั่นคือความสวยงามของอิสลามนะครับความดีของอิสลามที่เราสามารถที่จะได้รับความดีได้อีกจุดหนึ่งครับที่อยากจะบอกนะครับบรรดาสฮาบบะนะครับเขามีความกระหายครับกระหายในการแข่งขันการทําความดี ไม่ได้กระหายในการรวบรวมทรัพย์สินไม่ได้กระหายในเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงแต่กระหายในการทําความดีเห็นอีกกลุ่มหนึ่งทําความดีตนเองอยากจะได้ความดีแบบนั้นจริงมาปราบกับทาาา่านอัสซาลาฮฺอัสซาลาฮฺอัสซาลฺมไม่ได้มาปรารบกับทารร่านอสซาลบอกว่าฉันไม่มีฉันจนฉันไม่มีเกียรติไม่มีเลยนะครับแต่ที่บรรดาาบ่ามาคืออะไรฮะ กระหายอยากจะทําความดีอยากจะได้รับความดีมาาทรศัพท์เพื่อหาวิธีการที่จะได้รับความดีเหมือนบรรดาสาบะฝากการกระทํานี้ไว้ให้เราด้วยนะครับว่าขอให้เราได้มีความกระหายเหมือนกับบรรดาสวาบาด้วยนะครับครั บ, คครบใครมีคําถามอะไรอีกไหมครับนะ่าเดี๋ยวเราเลี้ยอ่า สำหรับเที่ยวเดินมามสัสยิดอันนี้จะถือเป็นการสดดอก้องไมครับแน่นอนครับทารุสลอสอุลลอสส่งกล่าวครับกุลุคทว่าเก้าแต่และเก้าที่มามสัสยิดนะครับมันเป็นเก้าที่หนึ่งครับลบล้างความดีกรับเป็นเก้าที่เราได้รับความดีด้วยนะครับเก้าแต่และเก้าที่มามสัสยิดนะครับเป็นเก้าที่ลบล้างความผิด และเป็นเก้าที่เราได้รับความดีนะครับก็เป็นสระคอเส้นเลียวันใช่ครับใช่ครับอ่านรง่ายๆตอนนี้มุสลิมเลยครับเพราะว่าเราเน้นผู้ชายมามาสัสิตสรับมุสลิม่านี่น่าจะมามมสิตไหมที่เขามาแล้วเขาได้รับผลบุญจากตรงนี้ไงเขาได้รับว่าเป็นสระาอด้วย บริบทระหว่างมุสลิมินมุสลิมะต่างกันนะครับนั้นอิสลามที่เห็นอิสลามจึงในเรื่องของบทบัญญัติบาง บ, างบทบัญญัติจึงมีความแตกต่างกันในเรื่องการมาละหมาดที่มัสยิดนะครับในอิสลามถือว่าเป็นเป็นไฟบังคับที่ที่มุสลิมที่ได้ยินเสียงอาลกษัรนะครับต้องมามัสยิดตามทัศนะที่มีน้ำหนักนะครับแม้ว่าบางบางทัศนะที่เข้าใจในหลักการ จะบอกว่าเป็นฟาโดูเป็นสุนัขบาอัคก์กะดะก็ตามนะครับแต่ในภาพรวมคือศาสนาส่งเสริมนะครับชักนําให้ให้มุสลิมมาละหมาดตอนนี้มุสลิมอะนะครับมุสลิ ม, มานั้มมนร บ, บริบทข้อจํากัดของเธอนั้นเยอะนะครับนั้นหลักในเรื่องนี้นะครับไม่ได้มีสุนัขให้มามัสสิตให้ละหมาดที่บ้านกรับแต่ในกรณีที่เธอมามัสสิตแล้วนั้นไม่สร้างความไม่สร้างฟิจนะ ฟิตรี่าเขาพู้หญิงคืออะไรฮะ ม, มาเม่อเสร็ใส่น้ําหอมนะครับไม่ใช่เดินมามืสร็จน้ําหอมนั้นฟุ้งเลยนะครับเม็ดหน้ามานะครับเดินผ่านมาดิหอมไปทั้งซอยไอ้แบบนี้ไม่ใช่นะครับแต่งตัวครับแต่งตัวคําว่ารัดกลุ่มกับรัดรูปมันต่างกันนะครับนั้นอ้สามบอกว่าให้แต่งตัวมุสลิมานั้นให้แต่งตัวรัดกลุ่มครับรัดกลุมคือให้ดีให้ตามหลักศาสานาไม่ใช่รัดรูป นั้นแต่ส่วนใหญ่จะเห็นบางครั้งเนี่มาเดินมาอัตาละลกองใส่กระเป๋ามานะครับส่วนกางเกงนะครับกางเกงส่วนใหญ่จะเป็นรัดรูปมากกว่ารัดกลุ่มใช่ไหมฮะนั้นไม่สมควรนะฮะนั้นโดยโดยในภาพรวมแล้วจึงไม่มีสุนทรภัยให้ผู้หญิงมาละหมาดที่มัสยิดละหมาดละหมาดห้าเวลาะละหมาดจามะแต่ถ้าในกรณีที่เธอเนี่ยมาแล้วไม่สร้างความวุ่นวายมาแล้วไม่ได้สร้างฟิตนะให้กับคนรอบข้างแต่งตัวมาเดินมาก็รัดกุมนะครับไม่ได้ใส่ของหอม แล้วก็มาละหมาดมีพี่น้องมามีสามีมามีพี่มีน้องมาเดินตามซอยมาแล้ววันนั้นไม่มีใครเซลไม่มีฟิตนาแบบนี้ก็มาได้ได้รับผลบุญเช่นเดียวกันครับได้ผลบุญเช่นเดียวกันเช่นเดียหะแต่มันมีใช่ไหมแต่มีที่ผมบอกว่าคือมีมีข้อแม้แบบอิสลามอะไรอันนี้มาอ้าวมาแบบอิสลามคือมาแล้วไม่สร้างความไม่สร้างความฟิตนาให้ให้กับบุคคลอื่นนะครับก็ได้ผลบุญเท่ากันครับก็ได้ได้ได้ได้แล้ตรงการมาไม่สิดก็เป็นเสนอขอด้วยสำหรับมีทีมาเขาก็มาแบบอิสลาม ก็เป็นความดีฮะคือจะใช้คำ ว, ว่าเป็นความดีจะเห็นภาพชัดกว่านะครับสรุปแล้วว่าการแนะนําให้คุณทำความดีการ ม, มาศึกษาในวันนี้ที่เรามานั่งอยู่ก็เป็นสระกอร้ออีเดียวด้วยเหมือนกันยังไงกับอาจารย์ครับกุบลุมารู้เป็นสระกอร้อทุกความดีความดีที่เราให้ต่อคนอื่นถั้เป็นสระกอนะฮะนั้นการที่เราเรามามาแบบนี้ ถือว่าเราได้รับผลบุ น, นะฮะแต่จะเป็นสระกอร้อหรือไม่ในความคิดจะไม่ถือเป็นสระกอร้อนะฮะแต่ผมคนให้เนี่ยเป็นสระกอร้ออ่าใช่ฮะตอนนี้คนรับเช่นพี่น้องที่มานั่งฟังก็จะได้รับอานิสงส์ได้รับความดีในฐานะต้อยระบุหลักอินมีเป็นผู้ที่ศึกษาวความรู้มาริกะนะที่เป็นบ่าวขวัติที่ทําความดีอย่างเดียวนะครับยอมสยุปให้กับพวกเราอย่างเดียวเลยนะครับ คนมีเงินแสนล้านหมื่นล้านเนี่ยมาริการ์ไม่ยอมลดปีกมาให้แต่เราท่านๆนะฮะเอาขณะ น, นี้มาริการ์นั้นลดปีกลงมาโอบล้อมเรานะครับริยอลลีมาฟีอันเนื่องมาจากยินยอมยินดีในสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่นั่นคือสิ่งที่เราได้รับก็ได้รับความดีได้รับอานิสองส์อื่นแต่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของโสตกรนะครับก็เป็นส่วนดีสําหรับผู้ที่มาศึกษานะครับที น, นี้อ่าสำหรับสองคนที่นั่งข้างหลัง <Hey. S 2> ฮาเดียลีกับ อาเจสันเพื่อนคุณสี่คนนะที่สอนทุกวันอาทิตย์ตรงนี้คนสอนละอ่าอันนี้คุณได้ความรู้จากตรงนี้ชัดเจนละเพราะว่าคุณเรียนรู้มาแล้วแต่คุณก็ได้ความรู้จากไม่ต้องใช้เงินก็สระกร็สองวันนั่นอยู่ใกล้มัสสิตครูไปเจอก็มามัสสิตประจำอาเจสันกับอาลีนะอันนี้สอนพวกนี้สองคนสี่คนนี้ช่วยสอนทุกวันอาทิตย์เลยครับ ทีมารับอิสลามครับพระอาจารย์เดซีครั บ, ร น, รบนั่นคือสิ่งที่ใช่เลยนะครับสิ่งที่ทรงคุณค่ากับเรากรับหรือเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ให้ประโยชน์กับเราถึงวันเกียรติมาเลยนะครับขนาะที่เราวิ ญ, ญญาณออกจากร่างไปแล้วนะครับเราละหมาดไม่ได้นะครับจะขึ้นมาสวดพรรรมทั่วไปก็ไม่ได้ขึ้นมาอัานคัมภีร์ก็ไม่ได้แต่ขอให้เราได้รู้นะครับมีแค่3ามสิ่งที่ผล ความดีนั้นยังคงไหลไปสู่เรานั่นคืออินมนยุนแต่ฟอบิความรู้ที่ให้ประโยชน์ความรู้ที่เราสอนคนอื่นสิ่งดีๆที่เราแนะนำคนอื่นนะครับเรารู้น้อยเราก็ให้ไปแค่นี้เรารู้มากเราก็ให้มากนั้นความรู้ที่เราให้กับคนอื่นข้อเขียนของเราครับโพสของเราดีๆที่ได้รับการจรัดไว้นังสือที่บรรดาคนรุ่นก่อนที่ก็ทำเอาไว้ทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือของเขา ความดีจะกลับไปสู่ไปสู่เขานั่นผมถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งความดีครับน้ําซึมบ่อทรายที่หลายๆคนอาจจะลืมไปไม่ให้ความสําคัญแต่อิสลามให้ความสําคัญครับในวันนี้ครับก็ขอฝากอายะกุรอ่านบทหนึ่งครับเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานศาสนานะครับอัลลอฮฺสุบะฮานุตะสัญญากับพวกเรานะครับว่าละวีน่ยาฮดุนฟีนาละนะดียันหุมุสบุแล้วนะผู้ใดก็ตามที่เสียสละ ในเรื่องของอลัทธิสุภานวนตระลาแน่นอนอลัทธิสุบภาโนตระลานั้นจะให้หิดายะให้ทางนํากับเขาให้ความดีกับเขาให้ความรุ่งเรืองกับเขาให้สิ่งดีงามกับเขาและสิ่งดังกล่าวครับ ทางโลกนี้และโลกน่าครับอัลลอฮฺมุสลิมีไซน์นะมุฮัมมัดสิดอวุลีมันอัคินุอสสลิมบอรอดุลลอฮฺเตบารานันซารัอะอัสฮะบไซัลลอฮฺสลเลาดีมิลลาฮิราอรบินอัลามีนฮัมดะนซาน์ครินฮัมดันชานค์รินฮัมเลีฟินคาฟินมาซาจาอฺบานาละกัลฮัมบะคุมะจับะริจาลบจกวะมุซุานิกอัลลอฮมะจามัมอานั นะ a รับข้าพเ